3 ครั้เซตไลฟ์ทม p พาร์เ r อร์เชิญพบกับคุณสาระล้ำสัมกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่น่ารักทุกท่านนะฮะก็จริงๆวันนี้เราไม่ได้ คิดจะจัดแบบแบบนี้นะฮะแบบดิจิตอลนะครับแต่อย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าพอปลายปีเราก็เจอกับเรื่องของตัวโควิดอีกครั้งนะฮะจริงๆผมผมจัดที่เนี้ยกำลังเลือกอยู่ว่าจะใช้ที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ด, ดีหรือว่าใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้สรรสาระดีนะครับผมสุดท้ายก็เลยต้องมาทําเป็นในแง่ของ v i r นะครับทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็ต้องต้องเรียนนะครับจริงๆคิดถึงกันมากนะฮะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมายาวนานนะครับแล้วก็ ผมเรียนเชิญนักข่าวทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณเพื่อนเสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณสักร้อยร้อยกว่าท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้เข้ามาจอยกับการแถลงข่าวของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็เป็นการเล่าถึงผลประกอบการเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เล่าในสไตล์ผมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยจะ going ไปข้างหน้ายังไงนะฮะในในโยบายต่างๆนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับวันนี้อยู่ที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตแห่งนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับว่าเรามีผู้บริหารของทางเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนี่นะครับซึ่งก็จากหลายๆท่านนะครับหลายๆคนเป็นคนที่คุ้นเคยกันกับเพื่อนๆสื่อมวชนนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นคนหน้าใหม่นะครับก็ถือถือโอกาสแนะนําเลยนะครับผมขออนุญาตไปจากทางซ้ายของผมก่อนนะครับก็ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับ คุณหมอพุทธิวงศ์นะครับหรือหมอพีทนะครับก่อนนี้จะนํานะครับคุณหมอพีทเนี่ยวันนี้ดูทางด้านของตัวแครมเรื่องของเฮลท์จริงๆไม่ใช่แค่เครมอย่างเดียวครับเรื่องของเฮลท์นะฮะเพราะว่าเครมเป็นเรื่องของ business as usual ก็คือการทําธุรกิจของทางภาคธุรกิจประกันชีวิตนะฮะที่มีส่วนควบของสุขภาพและโรครายแรงอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นความเรียกว่าเป็นเทรนด์ของของในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับรวมทั้งเรื่องของโควิดที่พุช้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพของเฮลท์เข้ามานะครับท่านที่นะครับ ก็ขออนุญาตแนะนำนะครับคุณภาวินีนะครับหรือปุ้ยนะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของผมนะครับดูทางด้านของทางการตลาดของทาง Bank a s u ช a n ่ของทาง K-Bank a s แอชเชโดยตรงนะครับท่านที่สามนะครับคุณแอลนะครับซึ่งจริงๆหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้านะครับก็เข้ามาอยู่กับเมืองไทยประกันชีวิตเรียกว่าหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ทำในด้านของตัว Branding Strategy ของทาง MTL โดยตรงนะครับ ท่านที่สนี่เป็นคนที่จริงๆเรียกว่าเข้ามาจอยกับเมืองไทยประกันชีวิตประมาณสักปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่จริงๆคุ้นหน้าเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกรียกว่าเป็นลูกม่อของเมืองไทยประกันชีวิตคือคุณตุ๊กตานะฮะวันนี้ดูทางด้านของสายงานตลาดแบบตรงนะครับท่านที่5้านะครับก็ คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ตอนจากเดิมเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์นะครับวันนี้มาทําทางด้านของสายงานทางด้านของเอเจนต์โดยตรงนะครับซึ่งเปิดถือว่าเป็นช่องทางหลักของเมืองไทยประกันชีวิตอีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณวิมลวันนะครับท่านที่6นะครับก็เพื่อนเพื่อสื่อมวชนคงคุ้นหน้าคุณตาดีนะครับเพราะว่าเคยอยู่ในสายงานของทางด้านสื่อสารองค์กรโดยตรงนะครับวันนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับสํานักงานสํานักกรรมการผู้จัดการนะครับคุณลุงธนพานะครับท่านที่7ดนะครับ ก็ผมถื อ, ถ, อถือโอกาสจริงๆไม่ได้เรียงเบอร์นะครับแต่ว่าอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ใหม่นะฮะเดี๋ยวอาเอาใหม่นะฮะคุณ น, นกนะครับก็คุณศิริลักษ์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย เป็นถือว่าเป็นลูกมอ่อของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับดูทางด้านของทาง i n v e s t m e n t นของเมืองไทยประกันชีวิตโดยตรงมานะครับแต่วันนี้เนี่ยย้ายมาอยู่เรียกว่าเป็นผู้มีการทางด้านของตัวฟ u s เชียเวนเจอร์แคปิโนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นนามแฝงของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับในการที่จะก้าวไปแตะในโลกใหม่นะครับในเรื่องของอะไรที่อาจจะไกลาจากการเป็นประกันชีวิตแต่ไม่ได้ไกลเกินตัวของเรานะครับก็คงทราบกันดีนะครับในเรื่องของตัว f u s เชียเวนเจอร์แคปิโวันนี้เนี่ย ลงทุนเยอะนะครับในหลายๆด้านซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการกล่าวถึงนะครับครับขอขอลงมาเลยนะครับอันนี้คุณเอ่อผมไม่ไม่ย้อนนะฮะผมไม่ย้อนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมาอีกท่านนึงนะครับคนที่คุณหน้าคุณตาผมดีอยู่แล้วนะฮะที่ปรึกษากรรมการพิจารณาผมโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะครับทั้งประสบการณ์ในด้านของตัวทางด้านของการอนุรักษ์ต่างๆนะครับวัฒนธรรมนะครับเป็นที่รู้จักอาจารย์แผนเผ่าทองทองเชือดีนะครับ แต่ว่าอาจารย์แพนเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มากพี่แพนผมไม่ว่าไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ย เ, เคยสัมผัสกับการที่เป็นเรื่องของมะเร็งมานะฮะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะท่านก็มาช่วยผมเยอะมากเล่าประสบการณ์ต่างๆของคนที่จริงๆแล้วเนี่ย เมื่อต้องเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยต้องดูแลย่งไรซึ่งจริงๆแล้วสัมพันธ์นกันกับวันนี้ครับการที่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดอย่างเดียวเราพูดถึงเรื่องของการที่ว่ามีผลิตภัณฑ์นะฮะเรื่องของ CI ที่ออกมาเคอร์ในเรื่องของโรคหลายแรงเหล่านี้มันไม่เคยหายไปเลยนะครับแต่เราอยากจะได้ u s e r อร์เอ็กซ์เจริงๆว่าจริงๆแล้วประกันที่ดีควรจะออกมาเป็นยังไงนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิตรพรบุญรัตพันธ์นะครับซึ่งจริงเป็นรองกรรมการผู้จัดการอวุโสโดยตรงนะครับดูแล ท, ทางด้านของสายงานการตลาดโดยตรงนะคครรรัััับบกกกก็พีนนะู้จกกด พี่ตกเองก็เรียกว่าประสบการณ์โชกโชนมากนะครับวันนี้ก็กลับมาดูแลทางด้านของตัวสายงาน Market ็ตตโดยตรงนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณดวงพรนะครับซึ่งก็คื อ, อจริงๆเป็นคนที่เรียกว่าเป็นดูทางด้านของอินเวสเมนต์มาตลอดเวลาในยามนี้เนี่ยจริงเรื่องของอีกมุมหนึ่งของ i n นชอน n c e นี่นะครับความท้าทายจริงคือเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะก้าวข้ามในเรื่องของตัว ความท้าทายต่างๆไปได้นี่นะครับไม่ใช่แค่ว่ายอดขายนะครับแต่ว่าขายอะไรแล้วเอามาลงทุนได้ยังไงเพราะว่าประกันชีวิตมันคือเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็เป็นที่เข้าใจนะครับในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้คุณดวงทองนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนิรัตนะครับก็คงทราบกันดีว่าเมืองไทยประกันชีวิตเองวันนี้เนี่ยนะครับเราก้าวไปเรียกว่าเป็นปีที่5้ล้นะครับของการที่ว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ย go originals นะครับแล้วก็จริงเราก็เป็นบริษัทประกันชีวิตนะครับที่ ไปในเรื่องของ original เนี่ยนะครับมากที่สุดแล้วไปได้เรียกว่าเป็นบริษัทต้นๆที่ไปในเรื่องนี้นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็คงจะมีเรื่องของ progress ต่างๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่า operation ของเมืองไทยประกันชีวิตที่เราไปทําในภาสของเป็นการร่วมทุนเนี่ยนะครับไปขนาดไหนนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ท่านต่อไปนะครับคุณไพฑูรนะฮะหงไก่นะครับก็รู้จักกันดีนะครับรองกรรมการผู้จัด ก, การอาวุโสเช่นเดียวกันนะครับดูทางด้านของสายงานทางด้านของตัว bank affinity bank แล้วก็ affinity ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยงคทุกแบงค์ยกเว้นกัสดกรแบงค์เนี่ยนะครับที่ขึ้นหยูดกับทางด้านของคุณไพฑู o นะครับแล้วก็รวมถึงว่ากลุ่ม Ecosystem p ม r t n e r ต่างๆนะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเกษพงค์นะครับหรือคุณเด่นนะครับคนนี้เป็นคนที่ดูทางด้านของตัวเป็นรองกรรมการผู้จัดการโอโซผมนะครับดูทางด้านของทางแบงค์ไอชินโดยตรงนะครับก็ถือว่าเป็นความ เรียกว่าเป็นทั้งโอกาสและเป็นความท้าทายนะครับเมื่อทไายไปการชีวิตเนี่ยอยู่ในลําดับต้นๆ น, นะครับเป็น originated ของตัวแบงก้านะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยที่ทําร่วมกันกับทางเกษตรกรไทยนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันถึงอีกสพหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะขายในเรื่องของแบงก์เอชเชอร์เนสเนี่ยนะครับสามารถที่จะต้องซิงโครไนซ์คือร่วมไปกับทางด้านของบริษัทประกันได้ที่สําคัญที่สุดคือตอบโจทย์ของความยั่งยืนและความพึงพอใจของลูกค้าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกบสรกรแบงค์เองเนี่ยนะครับก้าวข้ามในส่วนนี้นะฮะเป็นผู้ที่เรียกว่าอันดับหนึ่งของการที่แตะในเรื่องของตัวส่วนควบสุขภาพแล้วก็ส่วนควบของทางด้านของ CI มาที่สุดในอินดัสทรีวันนี้เนี่ยนะครับก็จริงก็เดี๋ยวคงมีคำถามอีกเยอะนะครับ คุณเคนะครับจริงๆคุณเคเคเนี่ยเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุธโส โ, โดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเฮดของทางด้านของเคแบงก์ออเชรันนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าคุณเคเองเนี่ยนั่งเป็นทั้งกรรมการบริหารด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของหลายๆอย่างที่อิงกับโลกในต่างประเทศโลกเรียกว่าเป็นเรื่องของจริงๆวันนี้เราเราต้องยอมรับนะครับว่าความแตกต่างรมมะหว่างประเทศไทยกับในต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ อ, อย่างที่เราทราบกันดีครับว่า เราไม่ต้องไปรอข้ามไปให้อินเตอร์เนชั่นแนลแต่อินเตอร์เนช a ั่นแนลเนี่ยเราสามารถจะดึง e x p e r t เ s e เหล่านี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคุณ K K เคเคนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่แชร์ลิงตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งไม่ต่างกันเลยนะครับคือคคุณมอนซิลนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทั้ง Chief Actuary และก็เป็นทั้ง Chief ของทางด้านของตัว Investments โดยตรงนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกครับความท้าทายในวันนี้ น, นะครับอันนี้เกี่ยวอีกนะครับมเมื่อกี้แตะที่คุณดวงพรา น, นี่แตะที่ค Pro ตภัณออกอะไรมาเนี่ยนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึง Product สั้นๆประกันชีวิตเป็นเรื่องของระยะยาวครับเป็นเรื่องของความเชื่อใจนะครับเป็นเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นคุณบอลซิลที่ออกมาได้ออกมาได้เสร็จต้องสามารถที่จะกระทบได้กับเรื่องของ investment เพราะนั่นคือความยั่งยืนที่สุดกับลูกค้านะครับแล้วก็อีกท่านนึ่งนะครับคุณเจมส์เจนองนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับมีส่วนเข้ามาช่วยเมืองไทยประกันชีวิตในการที่ว่าอยากจะพัฒนาในช่องทางใหม่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของตัว wealth management นะครบราาิงๆกก็ออย่่่ทีว MTL พยายามที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของรายได้ก็ดีในแง่ของทางด้านของไลฟ์สเตจหรือไลฟ์สไตล์ก็ดีนะครับครับก็ขอลงมานะครับคุณสราวุธนะครับคงทราบรู้จักหน้ากันดีนะครับรองกรรมการผู้จัดการอวุโสนะครับดูทางสายงานของตัวแทนโดยตรงนะครับก็ตัวแทนถือว่ายังเป็นเส้นเลือดหลักของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทำยังไงที่เราสามารถที่จะจับโอกาสนะครับในยามนี้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในแง่ของว่า วิกฤตของตัวโควิดที่ทําให้กับอินดัสทรีหลายอินดัสทรีในเรื่องของการที่ว่าคนเองต้องสูญเสียเรื่องของรายได้หรือสูญเสียเรื่องของงานไปนะครับเพรา ะ, ะนั้นจริงๆแล้ว m t ็พร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะรองรับในเรื่องของอาชีพตัวแทนอย่างเต็มที่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือคุณธรรมนุอยรรม า, รากักรุลนะครับซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับดู2 ส, สายงานนะครับสายงานนึงคือเรื่องของตัว ดิจิทัลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะครับการที่ว่าจะนำเรื่องของตัวดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ให้เปิดเกิดเรียกว่าเป็นรูปธรรมได้นะครับก็เรื่องของ execution ต่างๆในขณะเดียวกันครับต้องยอมรับว่าอีกด้านหนึ่งก็คือโลกวันนี้เนี่ยเป็นโลกของ p e r s o n a l i z e ความพึงพอใจความต้องการของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณธนุดูทางด้านของตัว data นะครับก็มาอีกทีนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป็ น, ปนทีมที่เป็น ยังเจนขึ้นอีกนะครับ MTL เองเนี่ยนะครับก็มีคุณพัชรินเนี่ยจอยมานานแล้วนะฮะแต่ว่าจอยมาในฐานะของหลายๆมุมนะครับวันนี้คุณพัชรินเนี่ยก้าวขึ้นมาดูในเรื่องของเป็น Corporate Strategy นะครับแล้วก็นอกจากว่าการที่จะวางเรื่องของ s t r a t e g อร์แล้วเนี่ยนะครับทำยังไงให้ออกมาได้คือเรื่องของ Execution นะฮะการ Transform เนี่ยนะครับองค์กรเราพูดกันเยอะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรมีไอเดียเยอะนะครับมีการลงทุนเยอะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือว ทำออกมาไม่ได้เพราะมัน execution มันไม่ออกเนี่ยนะครับพราะฉัคุณพัชรินเป็นคนที่ดูนะครับอีกคนหนึ่งคงรู้จักกันดีนะครับคุณวิทยนะครับหรือคุณนาเดียนะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยฟลูเชียอิน n น o วชันเฮาส์เนี่ยนะครับถูกตั้งมาเรียกว่าอยู่ประมาณ5ปีแล้วนะครับก็ฟลูเชียเองก็เป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ย thinking out of the box เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากกจ็จะทราบกันดีว่าเราไม่ได้พูดถึงการเป็นประกรันแต่ในที่สุดผลสุดท้ายเราก็สามารถที่จะขมวด สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาเป็นรูปของการเติมเต็มในแง่ของ Quick วินให้กับเรื่องของการประกันได้แล้วก็อาจจะมองไปในระยะไกลมากกว่านี้ได้เนี่ยนะครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับอันนี้อาจจะไม่ ไม่ค่อยได้เจอมากอ น, นะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นลูกม่อของเมืองไทยประกันชีวิตโดยตรงนะครับพื้นฐานในคณิตศาสตร์นะครับคุณเมธิรานะครับก็เมื่อกี้ผมแนะแนําคุณนิรัตในฐานะที่ดูทางด้านของตัว IB <im prove> คือ International Business ไ <im prove> ปแล้ววันนี้ผมผมแนะนําคุณเมธิราคุณเมธิราเป็นคนที่ทําในเรื่องของ process เ, เรื่องของ operation นะฮะในแต่ละประเทศที่เมืองไทยมี joint venture partner อยู่นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะคงมีมีการคุยกันนะครับครับมาถึงคุณอุมาพันธุ์นะครับ ผมว่าคนนี้หน้าตาคุ้นมากนะฮะแล้วก็น่าจะรู้จักกั น, ก, นกันพอสมควรนะครับคุณอุมาพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เรียกว่าสายแข็งมาจากทางด้านของภาคการเงินอื่นๆเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานของคุณอุมาพันธ์ความที่ว่าเธอรู้ในหลายๆหมุ่มของทางด้านของ Insurance ก็ดีของทางด้านของอินเวสเมนต์ก็ดีเรื่องของ Unit Link กก็ดี Unit ตทรัสต์ก็ดีนะครับเยอะมากนะฮะนะก็เลย โรใหม่ของคุณอุมาพันธ์วันนี้เป็นเฮดของเมืองไทยคาร์เดอร์มีนะครับก็มีความสําคัญมากนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของอัพสกิลรีสกิลสนี่นะครับจะทําได้นี่นะครับคอนเทนต์ต่างๆมีความหมายว่ามันสามารถที่จะดนามิกพอกับไอตัวแฟกเตอร์หรือฟอสต์ของข้างนอกได้หรือเปล่านะครับก็แนะนำนะครับอีกท่านนึงนะครับคุณปานัทนะครับปนัดนี่จริงๆหลาย ๆ, ายๆเพื่อนๆสื่อมวลชนคงรู้จักดีนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็น หนุ่มที่จริงๆเกือบจะลหล่อที่สุดในองค์กรแต่ว่า ก, ก็ยังไม่ถึงขนาดนะั้นนะฮะนะฮะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับทั้งนี้ทั้นั้นนี่นะครับแต่เป็นคนรุ่นใหม่ผมอยากจะเห็นภาพว่าองค์กร MTL เนี่ยมีความมิกซ์กันขนาดไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแถวนี้เป็นแถวของเจนที่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่จะเห็นภาพของคนรุ่นใหม่ได้เราเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ได้โตเนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเจนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มาทําในเรื่องของอะไรโปรดักต์โดยตรงนะครับคุณปรัดเนี่ยนะฮะก็ มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัด ก, การดูทางด้านสายงานของตัวโปรดัก t ์ซึ่งวันนี้มันด y n a ม i กเหลือเกินนะครับอยู่บนเชลฟได้ไม่นานก็สามารถที่จะออกมาใหม่ออกมาใหม่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเห็นแบบประการที่ MTL เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเป็น Evolution ของการพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยโดยเฉพาะความสำคัญคือการตอบโจทย์นะครับของลูกค้านะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับคุณ B นะฮะเป็น นักคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับแต่พันตัวเองมาเป็นมาร์เก็ตติ้งโดยตรงนะครับก็เป็นคนที่ทําร่วมงานกับทางด้านของสายงานทางคณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไปจับในเรื่องของตัว user experience ก็ดีนะครับ compare ต่างๆก็ดีนี่นะครับแล้วก็ออกมาได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุของทางด้านของ Pro ดักตของ Marketing นะครับอีกท้ายนะครับคุณพุทธิพัฒนนะครับก็เรียกว่าคุณต้องนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการอวุโสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์เรียกว่าที่คอยช่วย เตียนะครับกับทีมรุ่นใหม่ไปด้วยกันจะเห็นเลยว่าผมพยายามที่จะมิกซ์ระหว่างเจเนอเรชันกับเจเนอเรชันเนี่ย น, นะครับทั้งประสบ ก, การณ์ที่มีแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองกับคนรุ่นใหม่ต่างๆหรือในโลกใหม่ต่างๆออกมาก็ได้ความชื่อเดีลยวจากทางคุณต้องพุทธิพัฒน์โดยตรงในเรื่องพวกนี้นะครับที่ทําออกมาได้นะครับผมลงมาอีกข้างนี่นะครับแนะนำนะฮะคุณปราโมทศักขมจรนะครับหลายหลายคนคงคุ้นเคยนะครับก็วันนี้ไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับผมเชิญเชิญท่านมาร่วมร่วมด้วยนะครับ อันนี้เป็นบริษัทหนึ่งในอันที่ทางด้านของฟลูเชียเวนเจอร์แคปิตอลนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้หยิบออกมาเป็นตัวอย่างนะฮะหยิบออกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าฟลูเชียแตะอะไรเวนเจอร์แคปิตอลแตะอะไรได้ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราไปจอยกับเรียกว่าพาร์ทเนอร์ของเราที่เรียกว่ามีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะเป็นอาร์มแลงนะครับในการที่จะทําธุรกิจอื่นได้แต่อันนี้ต้องแตะนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเอ็ถึงบอกว่าบางครั้ง MTL ก็ไม่ได้มองความเป็นตัวของ MTL นะครับอันนี้คือสปินออกไปเลยนะครับก็เป็น Benix นะฮะเป็นบร็อกรหนึ่งนะครับซึ่งมีความอิสระในตัวเองนะครับเรียกว่าเป็น Open Architecture s นะครับแล้วก็อิงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะฮะเอาไซน์โดยตรงเนี่ยนะครับตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับทั้งชีวิตและสุขภาพและในเรื่องของตัว Property หรือ Cash ชี e ตต่างๆนี่นะครับอีกคนนึงคงคงรู้จักคงไม่เคยรู้จักเลยคนนี้เนครับอ่าเป็นดรพมรพลนะฮะเป็นอ่าของบริษัทไอเจนไอเจนเนี่ เมืองไทยกรุ๊ปโคดิ้งจริงๆเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกับเมืองไทยประกันชีวิตโดยตรงนี่นะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องเรียนนะครับว่าไอเจนเนียนะครับทำในเรื่องของ AI เรื่องของหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่นะครับศึกษาอยู่แต่บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปทําได้นะครับจะด้วยเหตุผลใดเดี๋ยวคงค่อยอธิบายที่หลังนะครับเช่นเดียวกันกับคุณธนัทนะครับ เคยอยู่เป็นลูกมอของเมืองไทยประกันชีวิตเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผันตัวเองออกจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับไปเป็นกรรมการผู้จัดการโดยตรงนะครับของทางด้านของตัวเมืองไทยบร็อเกอร์นะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยในชื่อนะครับให้คุ้นเคยในชื่อว่าเก็ go นะครับซึ่งจริงเป็นเรียกว่าเป็นดิจิทัลบร็เกอร์นะครับเป็นออนไลน์บร็อเกอร์แล้วก็เป็นออฟไลน์บร็อเกอร์นะครับและก็ยังเป็นในเรื่องของตัวเทคโซลูชันต่างๆด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเน้นแนะนำอย่างนี้นะครับผมกลับมาที่ อีกครั้งนะครับก็ขออนุญาตแนะนําคุณนริศนะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับคุณนริศเองวันนี้เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับดูแลทางด้านของตัว direct marketing ซึ่งถือว่าเป็นสายงานที่ MTL ให้ความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็เห็น potential ของอนาคตอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ถึงได้นําเอาคุณนริศเนี่ยนะครับเข้ามาเต็มที่เต็มตัวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขออนุญาตแนะนําอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือว่า ทางด้านของคุณวชิรพลนะครับซึ่งคุณวชิรพลเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบดีครับเป็นคนที่มองในมุมของลูกค้าแล้วก็เป็นคนที่จับกระแสของความต้องการนะครับพยายามที่จะมองทั้งในการตอบสนองความพึงพอใจนะครับเราพูดถึงเรื่องของเน็ตโปรโมทติ้งสกอรต่างๆ NPS นพีเอกอรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณวชิรพลเนี่ยนะครับเรียกว่ามีเข็มทิศของการที่จะจูนตรงนะฮะแล้วก็ตอบสนองให้เกิดความยั่งยืนได้นี่นะครับครับก็ ท้ายนะครับก็อีกสองท่านนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับคุณดรสุทธีนะครับโมกขเวทนะครับเป็นเฮดของ Risk Management นะครับแล้วก็เป็นเฮุของทางด้านของ Strategy นะครับจะเห็นเลยว่า วันนี้เนี่ย MTL เองเนี่ยนะครับพยายามที่จะเอาคนที่สามารถที่จะมีคอมบแล้วเป็นคนที่เจเนอเรชันใหม่เนี่ยนะครับเข้ามารันองค์กรในการที่จะสเตียร์องค์กรให้สามารถที่จะจับโอกาสเหล่านี้หรือก้าวข้ามความท้าทายได้นะครับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตแนะนํา CFO ของมือลไทยประกันชีพนะครับพี่เอนะครับคุณสีรักนะครับซึ่งจริงๆก็วันนี้คงมีอะไรขึ้นมาพูดบ้างนะครับแต่ก็สไตล์พี่เอเราเราไม่เคยพูดอะไรให้ในเรื่องของตัวเลขให้ครบนะครับก็คงเข้าใจได้นะครับว่าว่าเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของตัวแม่ของเราซึ่งเป็น l i สต์คอมมานดีนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ผมถือโอกาสเลยนะครับว่าผมคงไม่ต้องแนะนําตัวผมเองนะฮนะแต่แต่ผมอยากจะเรียนว่าคิดถึงจริงๆนะครับทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้สื่อข่าวนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าความตั้งใจผมจริงตอนแรกเนี่ยผมอยากจะจับเป็น เป็นการที่ว่าเจอตัวกันมากกว่านะฮะมันได้ความรู้สึกมากกว่าได้ความเรื่องของ eye contact เรื่องของอะไรแต่วันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเราก็จะมีเซสชันที่เป็นเรื่องของคิวด้วยตอบถามตอบถามได้แล้วก็ถามคนในห้องนี้ได้ทั้งหมดเนี่นะครับก็ขออนุญาตนะครับครับผมผมผมอยากจะเรียนอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆปีสองศสูเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ผมว่า อย่างที่ทุกคนทราบกันดีคือมันมีเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นปีที่จริงๆแล้วบางคนมองเป็นวิกฤตบางคนมองเป็นโอกาสอะไรพวกนี้นะครับสําหรับ MTL เนี่ยผมว่าเราก็ต้องปรับตัวจากไอ้ตัวเรียกว่าองค์ประกอบสภวาวะแวดล้อมที่เราก็ไม่ได้คิดจริงๆเคยอธิบายเรื่องนี้กันดีว่าก่อน pre COVID เนี่ยก่อน COVID จะเข้าเนี่ยจริงๆปัญหาของเรียกว่าความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตมันก็มีประเด็นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัว คือหลักการบอกว่าเป็น globalization แต่ผลสุดท้ายเราเริ่มเห็นภาพของ de-globalization ออกมาเนี่ยนะครับก็คือไอ้การที่จะเป็น globalization เนี่ยเราก็เห็นแต่ละประเทศเนี่ยนะครับออกมาเปลี่ยนวิธีการคิดออกมาเป็นตัวของตัวเองออกมาเป็นหลายๆอย่างมากกว่านะครับไอ้การที่เคยอิงกันเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับว่าจริงๆแล้วการการที่ ประธานาธิบดีคนใหม่ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นมีภาพออกมาเป็นในภาพยังไงบ้างนะครับในหลักการของ้ตัว globalization หรือ de globalization เหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โชว์ให้เห็ น, นครับใน force factor ต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะฮะ ก็คงเห็นภาพเรื่องของอเมริกาเรื่องของจีนเหล่านี้นครับที่ก็มีผลกระทบในมุมของเศรษฐกิจนะครับมีผลกระทบกลับมาในมุมของตัว yield curve นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตอน pre covid เนี่ยนะครับเรื่องของตัวในประเทศเองก็มีประเด็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะทั้งในแง่ของเรื่องของภัยแรงก็ดีนะครับจริงๆคงไม่ต้องไปแตะนะครับทั้งแรงทั้งท่วมต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่า ในกรณีที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นด้วยก็คือเรื่องของสังคมของประเทศไทยเองนะครับเศรษฐกิจเองนะครับในเชิงของพื้นฐานก็ยังมีเรียกว่าความไม่แน่นอนอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนกลับมาตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะฮิตเมื่อตอนปี2020ประมาณตอนสักกุมภาพันธ์หรือประมาณสักมีนาเนี่ยนะครับของปี2020 เ, เราก็คงจะเห็นภาพว่ายิเคิบมันรอดาวลงมาเรื่อยๆนะครับพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ย นะฮะผมขออนุญาตรีเฟรชกลับไปว่าโควิดเนี่ยถ้าเราจําได้ น, นะครับประมาณช่วงมีนาหรือประมาณช่วงกุมภามีนาเนี่ยเราเห็นเลยว่ายิวเคิร์ฟเนี่ยมันดีดลงไปมันเด้งดีดลงไปต่ํากว่าหอีกอันนี้เราพูดถึง10ปีนะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประกันมันเกี่ยวโดยตรงกับเรื่องของตัวยิวเคิร์ฟโดยเฉพาะประกันชีวิตนะครับเราทําอะไรมาเนี่ยเรา Pricing จากเรื่องของตัวสิ่งที่เราต้องลงทุน นะฮะสิ่งที่เราต้องมีย l d และส่วนใหญ่เรารู้ว่าประกันเป็นเรื่องของระยะยาวเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าแค่กลับมานั่งทวนความจำกันเล็กน้อยนะครับว่าชาเลน g e ของปีที่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าไ อ, ฟอ้ฟอส c ฟกเตอต่างๆเช่นว่าอะไรกฎหมายใหม่ๆนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในขั้นที่เราเริ่มใช้ไอ้ตัว RBC 2มาแล้วนะครับมันมีเรื่องของกฎเกณฑ์ใหมๆ่ๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะไปนะครับ IFRS 17นะครับซึ่ง ก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงจะเอาปีไหนนะฮะตกลงจะเป็น2024นะฮะหรือว่าจะมีการที่ว่าจะไปขยบไปหรือจะยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับบริษัทประกันต้องเตรียมตัวการเตรียมตัวไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าการเซ็ตระบบการลงทุนในแม่ในรูปของเม็ดเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบต่างๆในเชิงของ Data ก็ดีเรื่องของไอคลาวดิ้งก็ดีเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นทุนทั้งนั้นนะฮะแล้วเป็นทุนที่จริงๆแล้วเนี่ยในยามที่ชาร์เลนจิ่งไทม์ก็คือว่า Per ยรีที่ว่าไอตัวอ cono นมิกเนี่ยมันถูก disrupt จากหลายๆเรื่องที่ได้กล่าวมารวมทั้งเรื่องของโควิดที่มันบูสต์ทาให้แรงขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงกฎหมายอื่นๆด้ว ย, ายมาแต่กี้เป็นเรื่องของ Standard ดนะฮะไอเอฟไนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p d ดีที่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ก็จะถึงนะครับหรือแม้แต่ว่า กฎเกณฑ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากทางด้านของทางเลเกอร์เลเตอร์ของทางประกันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนะครับไปผมไม่พูดถึงแม้แต่เรื่องของ New Health Standard ที่จะเริ่มใช้วันที่แปดนะฮะพฤศจิกาปีสนห้าร้อหสิสี่นี้นะครับสิ่งเหล่านี้คือต้องลงทุนนะเพราะฉะนั้นประเด็นลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่หรือประเด็นที่จะต้องใช้เจียดเม็ดเงินมาไม่ใช่แต่มันที่สําคัญก็คือว่าอะไรจะต้องเตรียมตัวกับการที่ว่ารองรับสิ่งเหล่านี้และการเตรียมตัวนี่ก็คือว่า การที่จะต้องปรับนโยบายปรับ s t r a t e g i e ต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริษัทประกันที่จริงๆแล้วเนี่ยคอหลักจริงๆคืออะไร trusted คือความยั่งยืนคือความมั่นคงนะไม่ใช่ว่าเราไอ้ส่วนใหญ่เราก็คือจะเห็นเลยว่าแบบประกันรเราส่วนหลักเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรบริษัทไหนก็ตามเนี่ยจริงๆมันคือสิบปีขึ้นไปครับเพราะงั้นความยั่งยืนเป็นเรื่องที่สําคัญมากหัวใจของเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ออกมาไ อ, อ้ force factor ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว ความท้าทายของเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศก็ดีทั้งจากในประเทศก็ดีมีผลกระทบกลับมาในมุมของ Yield Curve Yield Curve ต้องนำไปใช้ในเชิงของ calculation ของแบบประกันนะฮะแล้วแบบประกันเดิมที่ถูกวางไว้ในพอร์ตเราไม่เชื่อมาจากกระดาษเปล่านะครับต้องเข้าใจนะครับบริษัทประกันจริงๆนี่นะครับไม่ใช่มาจากกระดาษ่าวเกิดมายาวนานมากนะครับปีนอกจากนั้นเนี่ย 2,540 ยังคลอดบริษัทประกันใหม่ม า, าย้อนกลับไปจได้ไฮะ ในทีนอติเนี่ยนะครับมีบริษัทประกันใหม่ออกมาอีกประมาณ 12- บสหรือสิบริษัทด้วยนะฮะวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ22บริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นภาพว่าเรื่องของความยั่งยืนจะเป็นยังไงนะครับแบบความท้าทายที่เกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้ารู้ว่ายิวเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันจะมีไอ้เรื่องของตัวมาตรฐานใหม่ๆที่จะต้องถูกบังคับเป็นมาตรฐานแล้วเกิดขึ้นทั่วโลก เ, เช่น ifi สิบหรือถ้ารู้ว่ากฎเกณฑ์ใหม่ๆในการที่จะะเเปป็นนตัััวววรรมมิกาาาดคค่่ของยงย มันคงแข็งแกร่งคืออะไร HbC สหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วฟอสแฟ t เตอร์วัเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้จากตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจ MTL เองเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าปี2020ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายแล้วก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับผมผมใช้คำว่าผมหักดิบกับเมืองไทยประกันชีวิตมากการหักดิบของผมคือทาให้เกิดความยั่งยืน ความหมายก็คือว่าไงหมายความว่าผมปรับพอร์ตโฟลิโอของ MTL ลงนะฮะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าในมิติของการรันแบบบริษัทประกันชีวิตจะไปมองแค่ Market s แชร์อย่างเดียวมันไม่ใช่อีกต่อไปในยุคหนึ่งที่ย e l d Curve มันอยู่ที่ 6% เปอเซอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหรือมากกว่านี้เนี่ยมันทำได้ทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นมิติเนี่ยจริงๆมิติไม่เคยหายนะมิติคืออะไรมิติของการที่มองว่า มาคิดแชร์มิติของความยั่งยืนแข็งแกร่งก็คือในเชิงของไอตัวค่าวัดต่างๆค่าเรโซและมันยังมีเรโซตัวอื่นๆอีกเยอะแยะไปถ้าเป็นเพื่อนพี่สุบข่าวจําได้นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของหลั่งหลกันอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นค่าของการวัดทางบัญชีเนี่ยนะครับแต่ก็จ ะ, จะมีทั้งอินดัสทรีก็จะดิ้นกันไปหมดว่าโอ้ยต้องขอปรับอย่างน้นปรับอย่างนี้เพราะยิ่งคืบมันลงไปต่ํามากหรืออะไรพวกนี้เพราะมันจะมีมิติหลายๆมิติไม่ใช่แค่มาคิดแชร์แล้ว m มาคิดแชร์เนี่ยใช่ไหมา ก่อนที่จะไปอย่างนี้มิติ m มาเก็ตแชร์มิติ share, ตของในแง่ของความมั่นคงแข็งแกร่งมิติในมุมของความพึงพอใจของลูกค้าเหนะือไว้ใวันนี้เราตอบโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขายอย่างเดียวมันคือการที่ว่าเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ไลฟ์ไทม์พาร์ทเนที่จะต้องตอบโจทย์และการเป็น Lifetime Partner อหมายถึงไงหมายความว่า Service ต้องใช่ในโลกที่มีดิจิทัลเข้ามาโควิดพุ่ให้ดิจิทัลเกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหล่า น, น, นี้เนี่ยใช่เพราะฉะนั้นหมายาว่าไงหมายความว่า เราก็ต้องสามารถที่จะเอาดิจิทัลเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็โคพิ้งกับการที่ว่าเป็นทั้งคนบวกคนได้ในขณะเดียวกันคนเราก็ต้องเพิ่มของสกิลขึ้นมาตอนจบคืออะไรเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้ามันเป็นโลกที่กลับมุมกันนะครับในแง่ของคนประกันผมใช้คําพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเวลาที่คุยมีโอกาสคุยอยู่พุสึข่าว่าประกันชีวิตเนี่ยผมเห็นบางบริษัทนี่อายุ90ปีนะเอ็เนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่อายุ70ปีเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับ มันจะเห็นเลยว่าจากโลกที่เป็น inside out คือ push มาตลอดเนี่ยหมาาไง push ว่าผมจะขายนูน่นขายนี่ขายโดยอิงกับเรื่องของ commission ขายโดยอิงจากอะไรมันไม่ใช่ต่อไปมันเป็นโลกที่มาจาก outside in คือความพึงพอใจของลูกค้าคนไทยเปิดใจเรื่องของการประกันมากแต่แบบต้องใช่ราคาต้องใช่ service ต้องใช่จริงๆก่อนก่อนซื้ออีกคาแนะนาไม่ใช่การขายแต่เป็นการ a d v i คือการให้แนะนาแนะนาอย่าง p r o f e s s i เนะมได้กี้ถึงแต่ว่าต้องมีคนอย่างคุณอุมาพันธ์ต้องมีทีมเยอะที่ทำเรื่องของตัวเมืองไทยอ c คาเดมี่การที่ลิฟสกิลว่าเป็นเรื่องของ a อ v i ว e b a ์เบสไม่ใช่เป็นการเซลส์อย่างเดียวในหลักการมันก็จะออกมาในภาพอย่างนี้เพราะมิติเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ MTL ต้องเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนมาก่อนพรีโควิดอย่างที่ผมบอกคือผมค่อยๆว่าพอร์ตโฟลิโอมิกซ์ของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยอ ะ, อะไรเอาเข้าใจง่ายๆอะไรที่มันมีความละเอียดอ่อนกับดอกเบีย้ยเนี่ย มันต้องลดฐานลงในหลักการใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่เกิดความยั่งยืนแต่ไม่ใช่ว่ามันหายไปหมดนะครับเช่นแบบ endowment ไม่ใช่ว่า mtl จะลดทั้งหมดออกมานะฮะแต่ว่าต้องทําให้เหมาะสมผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า endowment ไม่ดีนะมี endowment ที่สามารถที่เราทํา pricing ได้เราตอบโจทย์ของความพึงพอใจของลูกค้าได้และเราสร้างความยั่งยืนได้เราลงทุนได้นะฮะเรารู้ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่ใช่ time b ม m b นะฮะเพราะเรามีความรับผิดชอบในระยะยาวกับลูกค้า มันไม่ใช่มีติมาเก็ตแชร์อย่างเดียวอีกต่อไปของการรันธุรกิจประกันชีวิตอย่างถูกต้องและอย่างเกิดความยั่งยืนที่สุดนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ต้องฉายภาพออกมาให้เห็นภาพปีที่แล้วเป็นปีที่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ MTL เนี่ยผมบอกว่าผมจะลดทอนเรื่องของตัว Endowment ลงมานะีฮะหนึ่งสองผมจะดีดการตอบรับของความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นก็คือว่าอะไรแบบประกันที่ตอบโจทย์วันนี้คืออะไรเทรนด์ของ Health Health ต้องมา เฮลท์อย่างเดียวไหม Health ที่เป็น C ีด้วย Critical i อิลเ s สโควิดมาพคชจริงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดมาเรลงไตตัาหัวใจมันก็ยังอยู่ในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะเห็นภาพว่า MTL เนี่ยพยายามที่จะดีดเรื่องของตัว Health ขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยโปรเทกชั่นถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญมากของธุรกิจประกันชีวิตถ้าให้เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเฉพาะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าผมเองพยายามที่จะปรับพอร์ตของ MTL จาก e n d นดาวเมนให้ลดลงมาไม่ได้หายทั้งหมด แดดดีดเรื่องของตัว health และ CI rider ขึ้นมาดดดเรื่องของ protection ไม่ว่าจะเป็น whole life t e r นี่นะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็น protection ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบที่มันพูกกับ health ได้ดีอันที่1อันที่2มันเป็นแบบที่สร้างความยั่งยืนมันเป็นหลักประกรันที่แท้จริง3 ม, มันเป็นแบบที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนกับดอกเบี้ย น, น้อยลงมันจะสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่มีความรับผิดชอบกับผู้อประกรันได้อย่างดีมากกลับมาที่มิติของผมนะครับมิติ ไม่ใช่ Market s แ a r ์อย่างเดียวแต่เป็นมิติหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นน e ครับของ MTL เนี่ยและ CI เนี่ย MTL ดีดขึ้นมานะครับ2020เมื่อเทียบกับ2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณ28 g r o ร t h ซนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากอันนี้เราเราพูดแบบตรงๆนะในขณะเดียวกันเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมหักดิบจากเดิมที่เมืองไทยไประกันชีวิตก็จะเหมือนเหมือนกับบริษัทในอินดัส tri เดียวกันเนี่ยนะครับก็คือว่าอ่วมไปด้วย Endowment เพราะว่า จริงธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเอ็นจอยเอ็นด์ดมาเป็นประมาณเจ็ปีนะครขายเอ็นด์ดาวที่เป็นชนิดที่ว่าเรียกว่าเป็นช็อตเทอร์เอ็นด์ดาก็ดีนี่นะครับหรือว่าดูเรชั่นที่อาจจะเกินสิบปีขึ้นไปแต่เราจะเห็นเลยนะฮะช็อตเทอรไม่ว่าจะเป็นห้าปีสามปีหรือว่าหนึ่งปีเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมยอมที่จะหักดิบไหมครับว่าลดลงไปเยอะแต่หักดิบให้ตายไหมครับว่าขาดเลยไม่มีเนะี่ยมันทําไม่ได้นะฮะมันก็ต้องมีเลี้ยงนะแต่ผมทําออกมาให้ พอร์ตของ protection ของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 76% protection ในที่นี้หมายความว่าไงนะ protection and investment หมายความว่ารวม unit link เข้าไปในนี้ด้วย protection ในที่นี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น term ไม่ว่าจะเป็น whole life whole life คือ90คือ9 9ปีคือ definition ของ whole life นะฮะหรือ90ปีหรืออะไรก็ตามนี่ยนะครับแต่จริงเราจะเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอิงกับ personal life คือความพึงพอใจของลูกค้า outside in เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น โปรเทกชันบางทีก็จะมีไม่ว่าจะเป็น80ปีอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่เนี่ยคือหลักการเพราะฉั้นผมดีดขึ้นมาให้เป็นเจ็ดสินะครับในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าเรื่องของโกรดของออนไลน์เซลส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจที่มาวันนี้เนี่ยทัชพอยต์อะไรที่เข้าถึงชีวิตของคนได้ง่ายที่สุดนะครับหนีไม่พ้นนะครับถึงแม้เมืองไทยประกันชีวิตจะเป็นทรีเดชชวลคอมพานีที่เกิดมาจากเรื่องของคนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าคนก็ยังเป็นหัวใจหลกักแต่ทํายังไงที่เรามีเรื่องของตัววดดิิจล้ย การทําดิจิทัลแบบออเดอรเวดนะฮะเมืองไทยประกันชีวิตทําได้ออนไลน์เซลส์นะครับซึ่งมาจากทั้งทางด้านของผลิตที่ใช่คอนเทนต์ที่ใช่การเข้าถึงช่องทางที่ใช่การตอบสนองที่ใช่นะฮะระยะเวลาของการที่ว่าไม่ต้องให้คนรอคอยที่ใช่สิ่งเหล่านี้ก็ถึงทําให้เรามีโกลดขึ้นมาอยู่ที่120 120เนี่ยนะครับแล้วแน่นอนนะครับโควิดเเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจริงๆเป็นโอกาสมากที่ทําให้ MTL เนี่ยได้ลองใช้แพลตฟอร์มที่จริงแล้วเป็นบริษัทแรกแรกที่ออกแพลตฟอร์ม ของประกันออกมานะครับเราทำออกมาเนี่ยนะครับผ่านทางด้านของ f l u e ช c e a Innovation นะครับเป็น matter ของการ execution เราฟังจาก user experience นะครับ COVID ดีดขึ้นมาทำให้เราดีดขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่า adoption rate ของ MTL เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทต้นๆที่ adoption rate ของประกันเนี่ยนะครับในการเข้าสู่แพลตฟอร์มเนี่ยเยอะที่สุดก็คือ3 0 0แสนกว่าจริงๆแล้วในะวันนี้เนี่ยนะครับ เราก็จะเรียกว่าเดินหน้าในการที่จะทำเรื่องของ adoption rate ต่อไปเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนจบมคืออะไรมันคือสามารถที่จะตอบโจทย์ของการที่ว่าการเซอร์วิสได้ที่ว่า a n y h i r e a n y t i e e ได้ทั้งหมดผ่านทางได้จนจุดนี้แล้วเดี๋ยวคงจะมีเซสชั่นของตัว MTL Click ให้ดูว่าฟีเจอร์ของ MTL Click user experience ที่เราไปฟังมาเนี่ยเราออกมาพัฒนาต่อเรื่องอยังไงที่จะตอบโจทย์ความพึงพอใจของเขาได้นะครับครับข อ, ต, อต่อเลยนะฮะโอเค ผมผมผมยอมยอมรับว่า p e r f o r m ของเอ็อเนี่ยเมื่อผมหักดิบนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวกร t h ของ Total Premium หรือตัวนิววิซิ s พรีเมียนะฮะหรือ First Year Premium เนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนนะฮะให้เข้าใจได้เลยว่า Endowment Product ที่เมืองไทยไประกันชีวิตเคยขายเหมือนกับใน Industry ีเนี่ยนะครับกกซมันใหญ่กว่ากัน10เท่าอันนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนๆื่อนสื่มอมวลชนให้ฟัง แต่แน่นอนว่าเมื่อผมผันมาให้ขายเป็นเรื่องของ protection health rider ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีความยั่งยืนตอบสนองกับความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถของ MTL เนี่ยถ้าไปดูในตัวเลขของสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณเดือนสิบเนี่ยก็คงจะเห็นว่าติดลบซึ่งไม่แปลกนะฮะก็อย่างที่เรียนถ้าจะต้องทาอย่างนี้ตัวเลขของท็อปไลน์ต้องยอมที่จะติดลบนะฮะเพราะว่า ในยามที่ชาเลนจ์คือเรื่องของยิวเคิร์บที่ยังไม่รู้เลยวันนี้ยิวเคิร์บอยู่ที่ประมาณ 1.37 อคิดดูก็ไรกันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะยังความท้าทายยังมีอีกเยอะมากตอนจบถึงบอกว่ามิติคือความยั่งยืนคืออะไรความยั่งยืนคือว่าคุณยังสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะเงินกองทุนของคุณเพียงพอนะคุณมีมูลค่าของตัวนิวเบสเซสวาลูเนี่ยที่สําคัญจริงๆแล้วคนทําธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับ ต, ต้องมีนักการศาึกษา เวลาที่เขาดูเนี่ยนะครับเขาต้องทําวารูว่าไอ้แบบที่ขายไปเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วทาเป็น Present Val ารกลับมาเนี่ยกับคอน ม, มือผิดชอบเนี่ยมันยั่งยืนแค่ไหนไม่ใช่ว่าไอ้แบบที่ขายไปเนี่ยจริงๆมันล็อสแต่จะเอามิติเดียวคือมิติ Market Share นะฮะแต่ต้องไม่ลืมว่ายิวเคิร์ฟก็ยังค้าคออยู่อันที่หอันที่2 ifi 17มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปี2 0 2ศเริ่มใช้แล้วบอกอ่าผมจะเปลี่ยนแบบเลยวันนั้นมันทําให้ได้เพราะว่าไอ้บุญหรือบาปเดิมเนี่ยมันยู่ นะก็ให้เห็นภาพเพราะฉะั้นมันก็ต้องปรับตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะปรับไปเป็นแบบไหนนะก็ถึงบอกว่าถึงต้องทาหักดิบนะก็คือลดสัดส่วนของไอ้ตัวแบบประกรันไม่งั้นพอแบบที่บอกว่าการันตียิวสูงสูขึ้นมาเนี่ยออโตเมติกลี่เนี่ยพอเจอมาตรฐานบัญชีตัวใหม่เนี่ยมันต้องบุกเป็นลอสไปเลยใช่ไหมฮะมันก็จะไปกินเนื้อของ p ีเทันทีนะฮะถ้าทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงต้องรีไวซ์ให้ถูกว่าถึงต้องปรับให้ถูกว่าเอ้ยมันควรจะต้องเป็นแบบไหน ในหลักการใช่ก็เป็นที่มาที่ว่าเราถึงต้องขายโปรเทกชันเราถึงต้องขายเรื่องของตัว whole life เนี่ยนะครับ เ, เราถึงต้องขายพวกร i d เดอร์ต่างๆแล้วแน่นอนที่เก็ไซด์มันเล็กกว่ากันสิเท่าเพราะงั้นกรอไม่แปลกใชนะฮะทุกเดือนดูในตัวเลขสมาคมปาการชีวิตเดี๋ยวพอสิน้นสิ้นปีตัวเลขออกมาก็จะเห็นว่า MTL เนี่ยท็อปไลน์กรเนี่ยจะติดตบซึ่งไม่แปลกเพราะว่าเรา manage ให้มันเป็นอย่า ง, งานั้นแต่ถ้าไปดูในมุมของตัวมูลค่า ของตัวแบบประกรันที่เราขายเนี่ยมันคูณเข้าไปสามเท่าหมายความว่ามันมีมูลค่ามากขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูผลกำไรของ MTL เนี่ยคือต้องก็ต้องยอมรับ MTL ก็ manage กหลายอย่างพอร์ตโฟลิโอเอยในเรื่องของการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีให้ออกมาเป็นรูปธรรมออกมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ MTL ไม่เคยแตะคือเรื่องของเอาคนออกเราไม่เคยทำนะฮะ เราให้โอกาสของคนเราให้คนทำเรื่องของรีไดพอยเราให้คนทำเรื่องของรีสกิลต่างๆนะฮะอันนี้ย้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ตอนจบคืออะไรเอาคำก็คือในแง่ของ p n เเนี่ย r o f ฟิของ MTL มเนี่ยมากกว่าปี2019 2020เนี่ยมากกว่าปี2019นะครับจริงๆใจผมก็อยากจะบอกให้ฟังนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าในการถแถลงข่าวเมื่อย้อนกลับไปกี่สปีเนี่ยนะครับ ผมไม่เคยพูดตอนโปรฟิตเลยยกเว้นเวลาที่ตัวต้องไปถแถลงออกมาในมุมของทางให้เป็นข่าวออกมาชัดเจนกระทงนักสืบพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะครับว่าตัว P L เนี่ยก็คือกำไรของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับถือว่าสูงกว่าปี2019นะครับเมื่อเทียบแล้วของปี2020ซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งเพราะว่าการที่ว่า มีกำไรเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาออกไปเป็นปันผลนะครับเดีย๋ยวจะเข้าใจผิดบริษัทประกันชีวิตนี่เขาจะทำเนี่ยเขาต้องไปยื่นขอสํานัก ง, งานคอปปะพอเขาต้องไปทําเรื่องของสเตรสเทสแต่ในยามที่จริงๆแล้วมีทั้งเรื่องของความท้าทายกับเรื่องของโอกาสเนี่ยการที่มีกําไรสะสมพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันเอากลับเข้าไปเพื่อเป็นการลงทุนยมหาศาลในการที่จับโอกาสได้นะและการลงทุนเหล่านี้มันคืออะไรก็ยังที่เดี๋ยวคงจะเห็นมานี่นะครับครับก็นั่นคือภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วที่อยากจะเรียน เป็นเพื่อนพิสู่าวครับสำหรับปี2020ของเมืองไทยประกันชีวิตครับในมุมของตัว regional expansion เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเราคงสร้างกันดีนะครับเมืองไทยประกันชีวิตมีบริษัทร่วมทุนแรกอันแรกเนี่ยนะครับชื่อว่าสุวรณภูมิไลฟ์นะครับก็อยู่ที่แคมเบเดียครับอันที่สองที่เมืองไทยประกันชีวิตทำเนี่ยนะครับก็คือบริษัทประกันนะครับ ชื่อว่าตัวเอสทีเมืองไทยประกันภัยจริงๆผมจำไม่ได้อันอะไรมาก่อนระหว่างเวียดนามกับลาวนะแต่ว่าเอาเปว่าเอสทีเมืองไทยประกันภัยเนี่ยก็เป็นการร่วมทุนนะครับก็ร่วมทุนกับทางธนาคารเอสทีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศสปปลาวเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกับทางด้านของตัว เวียดนามนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ Population อยู่ประมาณสักับ100ล้านนี่นะครับแล้วก็เมืองไทยประกันช่พเองก็มีการร่วมทุนระหว่างกับทาง AGS นะฮะแล้วก็ทางตัว MB Bank หรือ Military Bank ในเวียดนามนะครับกถ็ถึงตรงนี้เนี่ยผมขอให้ทางคุณเมธิรานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นคนที่ลองอธิบายว่า Performance ที่ผ่านมาเป็นไงนะครับเชิญครับ สวัสดีค่ะแม็ิลานะคะจริงๆต้องอย่างที่คุณศร า, าเรียนนะคะว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเริ่มตัว regional of regional expansion เนี่ย คือหปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในปี2016ะคะ่ะคุณสาราเป็นปีแรกที่เราเริ่มนะคะที่กัมพูชา ก, ก็จริงๆต้องต้องเรียนว่าใน3ประเทศที่เราไปลงทุนเนี่ยค่ะก็ในปี2020เนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกันกับประเทศไทยก็คือเรื่องของตัวโควิด19นะคะจำนวนคนติดเชื้อโควิดอาจจะไม่ได้เยอะในขณะในเท่ากับประเทศไทยนะคะแต่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยก็เจอวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราไปดูในกัมพูชานะคะสวรณภูมิไลฟ์แล้วก็ดารา Insurance, เนี่ยจริงๆกัมพูชาเป็นประเทศที่โดนวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจโควิดเยอะที่สุดนะคะถ้าดูจากตัว GDP g r o กร h ตเนี่ยเป็นประเทศเดียวในสามประเทศที่ติดลบนะคะแต่ว่ายังในสองประเทศในสองบริษัทที่เราลงทุนนะคะก็ยังคงมีตัวเบียรับนะคะที่เป็นกรอตอยู่นะคะอย่างสุวรรณภูมิเนี่ย โฟกัสที่ตัวทาง b a n k c a t ชูรันสนะคะก็โกร w อยู่ที่ 16% ค่ะในส่วนของดาร์ไลน์อินชัวเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่เราเพิ่งลงทุนในปีที่แล้วนะคะก็มี total premium growth อยู่ที่ 84% นะคะในขณะที่สะปะปลาวนะคะก็จะเป็นบริษัทที่มีทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะใน ล่าสุดนะคะข้อมูลที่ออกมาก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งในสปปลาวแล้วนะคะในเชิงของเบีย้ยประกันภัยรับค่ะในส่วนของเวียดนามจริงๆน่าสนใจนะคะเพราะว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยเขามองเป็นโอกาสนะคะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเคยโฟกัสไปที่แบงค์แคชรันนะคะแต่ว่าในปี2020นี่สเ่สามารถที่จะเติบโตในช่องทางเอเจนซี่ได้ มา ก, ก น, นะคะใน2231เปอร์เซ็นต์เกิดจากการที่สามารถรีคูดคนที่เป็นตัวแทนใหม่เข้ามาได้มากกว่าหมื่นคนนะคะก็จะเห็นว่าโกรทในเรื่องของเอเจนซี่อยู่ที่231เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทั้ทัคอมพานีอยู่ที่23เปอร์เซ็นต์ค่ะครับพเพราะฉะนั้นให้เห็นนครับว่าจริงๆออปเปอเรชันที่เราไปลงนน เ, นปเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะมเดียเป็นอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเหยียบเข้าประมาณสักปี5ปีเนี่ยนะครับนะฮะจริงๆ ที่แคนเบเดียเนี่ยนะครับเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยลงจากไลฟ์นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็คงทราบกันดีว่าเราเข้าไปลงทุนเพิ่มนะครับกับบริษัทประกันชื่อว่าดาราซึ่งเป็นบริษัทนันไลฟ์อินชรันด้วยนะครับก็เรามีสัดส่วนของการถือหุ้นอยู่ประมาณ25เเซนต์ี่ยนะครับที่ตัวดารานะครับแต่ว่าอย่างที่ถ้าเป็นตัวแคนเบเดียเราก็จะถืออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะก็คือ4ีเกเซตเนี่ยนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าผลการ เติบโตของของโปรเกรสของแต่ละบริษัทเนี่ยค่อนข้างเปไปได้ดีจริงๆสองสปปลาวเนี่ยเราก็โฟกัสทั้งเป็นเราเป็นคอมมิชชั่นไลเส้นนะฮะก็คือเป็นทั้งไลฟ์และนันไลฟ์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็ทำร่วมกันกับทางฝั่งของเมืองไทยไประกันภัยด้วย ที่มีเอ็กซ์เพอในด้านฟังฝั่งด้นไลฟ์นะครับ MTL เนี่ยดีตัวเลขขึ้นมาได้ดีมากนะฮะเป็นประกันชีวิตที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเบี้ยรับเนี่ยมากที่สุดนะครับของทางด้านของฝั่งของประกันชีวิตนะครับก็เป็นอะไที่เราค่อนข้างที่จะพอใจนะครับกับทางด้านของตัว ST เมืองไทยประกันภัยนะครับเวียดนามผมไม่ต้องอธิบายนะครับก็ไม่ได้ยินคุณเมธิราอธิบายไปแล้วนะครับโปรเกรสค่อนข้างไปได้ดีนะครับเป็นทั้นสองนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลของ MTL เนี่ยนะครับที่ไปลงในเชิงของเป็น JV เนี่ยก็ Live และนัน l i v e ถ้ามีโอกาสก็จะเห็นเลยว่าสองประเทศเนี่ยเป็นทั้ง Live และ n ัน l ล v e ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมก็จะเป็นทั้งในด้านของตัว Multi-Channel Distribution อย่างที่ m อ็มีมี e x p e r t i ในเรื่องพวกนี้มาเพียงแนว่าต้องยอมรับว่าจะไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องของแ a n k ้หรือจะไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องของ a g e n t นะครับเรื่องของเทรนด์ของดิจิท a ลนะครับและประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับ ARNING CURVE จะสั้นมากเพราะนั้นเทรนด์จะมาได้เร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามองนะครับ going forward กับไอ้เรื่องของตรงนี้ก็คือว่า MTL ยังมองที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะลงทุนในตัวประเทศอื่นๆได้นะครับก็จะเป็นเทรนที่ MTL ดูอยู่วันนี้เรายังมีสำนัก ง, งานตัวแทนของเราเนี่ยนะครับเว็บออฟฟิศของเราเนี่ยอยู่ในตัวเมียนมาอยู่นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่า MTL ยังให้ความสนใจอย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมื่อโควิดมาเนี่ยนะครับก็ทําให้บางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาให้แน่ใจนะครับก็มีการชะลอลงบ้างครับก็ขอผ่านหน้านี้ไปครับ อ่ะผมผมผมชี้ให้เห็นภาพอันนี้ไม่ใช่ภาพใหม่แต่เป็นภาพที่จริงๆแล้วเนี่ย m t l ทำมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลานะฮะผมพยายามจะเรียนว่าจริงๆหัวใจของประกันชีวิตเนี่ยต่อจะให้โลกเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของความเชื่อใจมันคือความ trust e d ไปนะฮะเพราะนวันนี้เนี่ย m t l ตีโจทย์ว่าเราไม่ได้ตอบโจทย์แค่ว่าการขายครั้งเดียวเราบอกว่าเราต้องการที่จะเป็น lifetime partner นะ lifetime partner เนี่ยตีความได้ชัดเจนนะเราเป็นคนที่เล่นกับเรื่องของ individual individual เองเนี่ยนะครับเขามีเรื่องของ life status ของเขาเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่า scope ของ MTL เนี่ย MTL มองไปให้เห็นภาพจริงว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นกับ generation ไหนไม่ว่าจะเป็น Gen C ก็ดีนะฮะ Gen Y ก็ดี Gen X ก็ดี baby boomer ผมแตกเรื่องนี้ไม่แตะไม่ได้หรือกลุ่มที่เรียกว่าโยนเนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับอย่างที่เห็นตัวเลขเนี่ยนะครับ 20% ก็คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปของประชากรนี่นะครับและถ้าเราพ e d ิ c t ไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่าตัวเลขนี้จะเหยี่ยบขึ้นไปจนเกือบถึงประมาณ 28-29% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับครับว่าประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้นะฮะในแง่ของสังคมผู้สูงอายุนะครับ t i o n ไม่ได้โตนะครับแต่ว่าการที่เราตีความว่าเราจะเป็น life time partner นะผมไม่ได้แตะกลุ่มอัลฟาครับเพราะว่าจริงๆแล้ว Alpha คือกลุ่มที่จริงๆแล้วเนี่ย เป็นลูกเป็นเรื่องของสเตตัสของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจน X อ็กซเจนไก็ดีนะครับที่เขาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลูกมีครอบครัวออกมาแต่ว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในมุมทั้งการนําเสนอทั้งการที่ว่าผลิตภัณฑ์ก็ดีเนี่ยนะครับหรือการที่ว่าเซอร์วิสนะครับโดยที่ว่าใช้ทั้งในโลกของตัว Data นะครับตอนนี้มันเป็นโลกของ Data คือถ้าไม่อินกับดาตานี่มันไปไม่ได้เพราะมันเป็นโลกที่บอกเอาไซน์อินคือการที่ตอบโจทย์แบบเพอร์ซ Li อลไลซ์แล้วก็ใช้เรื่องของตัว ดิจิทัลเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งในความเป็นเรื่องของออฟไลน์หรือคนเพราะยังไงสําหรับผมเนี่ยประกันชีวิตยังไงก็ยังต้องมีเรื่องของตัวคนด้วยเพียงแต่ว่าคนนี้ต้องสามารถที่จะถูกรีสกิลอัพสกิลได้เขาเหล่านี้ต้องสามารถที่จะเห็นในภาพของเป็นโฮลิสติกได้เขาศารเหล่านี้ต้องสามารถที่จะเรียกว่ามีไอตัวเคอรเจอร์ของการที่ว่าอะแดปแล้วก็เลิร์นนิ่งอยู่ตลอดเวลาได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพเลยว่า หลักการของ MTL เนี่ยนะครับก็จะไม่ต่างเลย Personalization นะฮะการที่จะตอบโจทย์ออกมาได้ต้องอิงกับ Data ต้องอิงกับการที่ว่าเทรนโคนต้องใช้เรื่องของโลกของดิจิทัลเข้ามาทำเรื่องของ Advi รณ์เบสต่างๆมันไม่ใช่การขายอย่างเดียวแล้วจบนะฮะไปจนถึงการที่สามารถที่จะเป็น Service ได้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย Health Well Protection Solution เนี่ยนะครับผมตีความให้ครบนะฮะมันคือเรื่องของ protection ะ ค, คือแบบประกันไม่ว่าจะเป็น protection Saving ไม่ได้หายไปนะครับจริงอยู่ผมยอมรับว่ามีความท้าทายกับเรื่องของตัว yield curve แต่ว่าก็สามารถทำได้ MTL ปีที่แล้วเนี่ยทำเรื่องของตัวแบบประกัน endowment ตัวหนึ่งเรียกว่า index links นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นนวัตรกรรมแบบใหม่นะครับที่ว่าเป็นเรื่องของการที่ว่ามีส่วนได้ส่วนมีส่วนได้แต่ไม่มีส่วนเสียมีส่วนได้นะฮะเป็น p a r t i a e i n g เนี่ยนะครับในมุมของตัว upside gain ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ง่าย ในระดับหนึ่งต่อการเข้าใจนะครับแน่นอนครับเรามีเรื่องของตัวยูนิตเลนส์นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวซิงเกิลพรีเมียมยูนิตเลนส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลกูร่าพรีเมียมยูนิตเลนส์แล้วก็ยูนิตเลนส์ของ m อ l ก็สามารถที่จะผูกกับตัวไรเดอร์สที่เป็ น, Health, นเฮลท์นะครับที่เป็น CI ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใ ห, ให้เห็นภาพว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงรวมถึงว่าสิ่งหนึงที่ต้องแต่งจริงๆก็คือว่าบำนานเอ็มพให้ความสําคัญอีกด้านหนึ ตอบอายุที่ใช่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาแต่ HEL นะฮะแต่เอาเป็นว่าบำนาญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วบำนาญสำหรับ MTL เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่ช่วยกับประเทศได้ในยามที่จริงๆแล้วคนไทยอาจจะออมไม่พอไม่ต้องไปพูดถึงว่ากลุ่มใหญ่เอาแค่ว่ามนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในประมาณสักสล้านนะครับนะฮะตามเรื่องของประกันสังคมก็ดีนี่นะครับหรือว่าถ้าเราเอาเอามารวมในสิถึงล้าน เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนี่เป็นอะไรที่เราเองก็สามารถที่จะเป็นส่วนเพิ่มเข้าไปได้ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้กับคนที่มีอายุยืนขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะให้เห็นนะครับผมแต่เรื่องของ lifetime advice ไปแล้วเมื่อกี้ผมอย่างที่ผมอธิบายว่ามันไม่ใช่โลกของการขายกลมทันกลมเดียวนะฮะภายใต้เงื่อนไขของการมี data อะไรพวกนี้มันคือการ advice สิ่งเหล่านี้ทําได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีดิจิทัลที่ใช่นะซึ่ง mtl ทําอยู่เยอะถ้ามีคนที่ใช่เพราะฉะนั้น Future Ready w o r เ f o r c e เป็นเรื่องที่สำคัญครับถ้าเป็นมุมของคนขายเป็นมุมของ f r อน t l ไลน์เนี่ยก็คือต้องมีสกิลของการที่จะแ d v i ว e ได้นะถ้าเป็นคนของคนภายในเองเนี่ยต้องเป็นคนที่มี Holistic View ต้องเห็นภาพเป็น e n d t o e n อได้ไม่ใช่เห็นภาพเป็นองค์กรแบบ r a d i ช i o n a l ที่มองเป็นไ i โ o คือเป็นแนวดิ่งอย่างเดียวได้นะในโลกเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องเทรนนะฮะ การพูดอย่างเดียวไม่ได้นั่นคือที่มาที่ทำไมเราให้ความสาคัญเต็มที่กับการที่ว่าต้องทำเรื่องของอ c a d e m y การที่มีเรื่องของออนไลน Training นะครับแล้วแน่นอนครับ MTL บวก3ามนะฮะก่อ น, น MTL บวกสามคนนี้จะแตก Beyond Insurance Service เนี่ยจะเห็นเลยว่า MTL เนี่ยนะครับปีจริงๆเป็น Original ของคนที่ทำเรื่องของตัวเรียกว่า loyalty program ชื่อว่าเมืองไทยสมัยครับ16ปีจะ17ปีแล้วนะครั บ, นะรบที่ MTL ทาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทาเป็นแม่แบบให้กับทางอิ t r ขึ้นมานะครับทำเรื่องของระบบต่างๆออกมานะครับไปจนถึงการที่ว่าไปแตกบียร์ของความเซอร์วิสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในมุมของเฮลท์ไม่ว่าจะเป็นในมุมที่บอกว่าเราต้องการเรื่องของเซ็กแคนโอปิเนียนเป็นยังไงอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยวันนี้อาจจะฟังดูไม่ได้ใหม่แต่ต้องยอมรับว่า MTL เป็นคนที่ originated เริ่มมาหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องทั้งหมดนี่นะครับรวมไปจนถึงว่าอะไรอื่นๆที่เอามาตอบได้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใน MTL l i c k s นะฮะที่จะตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้ได้ด้วยเนี่ยนะครับสุดท้าย MTR บวก3คืออะไรจริงๆมันควรจะบวกบวกและไปต่ออีกเป็นนะฮะไม่ได้จบอยู่แค่บวก3แต่วันนี้เนี่ยผมตีความนะฮะจริงนับในห้องนี้มากกว่าบวก3แล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าอะไรหมายความว่าเป็นสิ่งที่บีออนความเป็นตัวเมืองไทยประกันชีวิตบางครั้งองค์กรที่เราเนี่ยอายุ70ปีนะครับการที่เราจะจับโอกาสการที่เราจะผันออกมาได้เนี่ยบางทีเราต้องมีองค์ประกอบช่วย เราต้องมีสเตตัสใหม่ๆออกมาช่วยเช่นสเตตัสที่เป็น t เทคคอม퍼นีสเตตัสที่เป็นเรื่องอย่าง Get Go เป็นเรื่องอย่าง i อเจนะครับหรือสเตตัสที่จะต้องมีอย่างตัวฟ u เชียเ Venture Capital ที่จะคอยไปเรียกว่าไปแตะในเรื่องอะไรบ้างเช่น Insuretech ซึ่งนั้นเป็นเรื่องสกิลของเรานะฮะแต่เราอาจจะไม่ได้มีคนที่เป็น c าลเจอร์ของ Tech มาอยู่ในตรงนี้การที่เป็นตัวเราอย่างดีเนี่ยต้องยอมรับว่า บางครั้งมันก็มีลิมิตเอชันของการทําเพราะงั้นการที่เรามีองค์กรอย่างไอเจนสบริษัทอย่างไ g เจนสขึ้นมานะครับในการที่จะไป จ, จับคนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เขามีแคบิลิตี้ในเรื่องของการทํา AI ต่างๆเขาเห็นวิวพอยต์วิธีการอปโครชเป็นยังไงการที่เราต้องมีอย่าง get เก็ตโกนี่นะครับที่เขาไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งของการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บนออนไลน์เ้ามองในวิวพอยต์ของการเป็นลูกค้ามากกว่าการเป็นบริษัทประกันใช่ไหมฮะแล้วเขาเห็นภาพจากเอ็กซ์เพรเต่างๆ หรือการที่ว่าเขาเหล่านี้เนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยเขามีคนที่ทำเป็นเรื่องของเดฟในการที่มาทำในเรื่องของไอ้ตัวโซลูชันต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆออกมาให้เห็นภาพอย่างนี้การที่เรามี v e n เจ r ร Capital เนี่ยเราไปแตะมากกว่า i n s u r Tech เราไปแตะเรื่องของ HealthTech เราไปแตะเรื่องของ o o d t e c คอย่างที่เห็นภาพว่าวันนี้ MTL เลนี่ยลงไปทำอะไรแล้วก็ BENIX ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันหนึ่งที่ Fucia VC เนี่ยเข้าไปทาขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งผมย้ำนะครับว่า b e n น x เป็นความอิสระของตัวของเขาเองนะครับแต่ MTL เองกำลังขยายออกไปว่านี่เป็นธุรกิจในรายอื่นที่ MTL ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะครับยุ่งอย่างเดียวคือว่าเป็นในฐานะหนึ่งในแมน u นเจอแค่นั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ MTL จะเป็นแต่ผมให้เห็นภาพว่าแล้ ว, แ ล, วแล้วเราจะได้อะไรหนึ่งคือได้วิวพอยต์ของการที่ว่าเป็นมากกว่าประกันที่เป็นอยู่ 2. อ, อาจจะแตกรายออกมาเป็นธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและตอบโจทย์ได้อะไรอีกเยอะแยะ3ที่สาคัญคืออะไร มันช่วยทำให้เราตอบโจทย์ของการที่ว่า capture talent คนใหม่ๆเข้ามาใน environment ที่ไม่ใช่เป็นแค่ MTL environment นะฮะซึ่งโลกต้องการอย่างนี้ถ้าจะก้าวข้ามความท้าทายต้องเป็นอย่างนี้นะครับส่วนจะเป็นยังไงอันนี้ต้องติดตามตอนต่อไปอันนี้ก็ผ่านไป จริงๆวันนี้มันเป็นผมว่าประกันนี่ต่างไปเยอะนะครับคือคนคนไทยเปิดใจรับเรื่องประกันมากเพราะฉะนั้นประกันนี่ผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบท็อปลิสต์นะฮะเป็นปัจจัยที่4ี่ที่5้าที่6อะไรพวกนี้แต่เข้ามาใกล้เรื่อยๆโดยเฉพาะโควิดเนี่ยดีดเรื่องของประกันเข้ามาเยอะมากโควิดกับเรื่องของเฮลในชีวิตผมผมไม่เคยเห็นคนเนี่ยเดินเข้ามาขอซื้อประกันจนวันหนึ่งเนี่ยเขมีเรื่องของเฮลจริงๆก่อนโควิดผมเห็นผมคิดว่าคนไทยใส่ใจเหมือนกับคนทั่วโลกครับ ใส่ใจในเรื่องของการที่ว่าดูแลตัวเองทานสิ่งที่ใช่ออกกําลังกายใช่นะครับนอนให้พอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพูดกันเยอะมากเรื่องของ prevention มันถึงออกมาในเรื่องของว่าคนไทยอายุยืนขึ้นและยืนขึ้นอย่างมีความสุขในเรื่องพวกนี้ผมยังไม่แตะเวลนะครับวันนี้ผมแตะเฮลก่อนเนี่ยนะครับพราะให้เห็นภาพแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย protection เนี่ยมันไม่ใช่เป็น protection แบบเดิมๆอีกต่อไปประกันพอในยุคเดิมก็จะบอกว่าอายพวกอย่างนี้มีลิมิตของค่าห้องเท่านั้นเท่านี้เท่า น, านี้อะไรพวกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปได้ประมาณสักปีมดีสอ ป, ปี2ปี2ปีสปีนี่นะครับผมคิดว่า m p l เนี่ยเราเปิดตัวอันหนึ่งนะฮะในมุมของการที่ว่าเราจะเป็นผู้เล่นของ h e a l t นะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่ผมบอกความท้าทายมาจรีวิลเคิร์ฟก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะครับโควิดก็ดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นผู้เล่นแรกแรกที่ทำในเรียก c คอนเซปท์ที่เรียกว่าซ u เปอร์เฮลท์ นะฮะซูเปอร์เฮล์นี่ไม่เหมือนกับเฮลล์ปกติเฮล t ์ Health ปกติคืออะไรนะฮะเอนะฮะรก็คือเรียกว่าเป็นวงเงินแน่นอนเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะครับไอพวกนี้มันต้องมีอยู่แล้วมันเป็น The m a s ส MTL ก็มีแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆืให้ตอบโจทย์แต่มาในมากกว่านั้นมันคือว่าทำยังไงให้เราจะมีแบบซ u เปอร์เฮลล์ที่ตอบโจทย์ของคนได้จริงๆคําคำว่าตอบโจทย์คืออะไรตอบโจทย์ในแง่ของทุนประกันที่ใช่ทุนประกันที่ใช้เ o โรคที่ใช่ ใช่ไหมฮะเขาว่าโรคที่ใช่ซึ่งโรคหลักๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงโควิดเพราะโควิดเขาเว่อร์อยู่แล้วนะฮะเรากําลังพูดถึงโรคหลายแรงที่ใช่แล้วในยามนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของการแพทยเนี่ยดีมากๆแต่เราต้องยอมรับว่าไอ้ตัวเมดิโอเคโออินฟลชันเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ประมาณสัก8ดขึ้นไปนะครับสมมุติแปดเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับถ้าเราลองฟังกันดูเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายก็คือว่า เราพยายามที่จะชี้นาให้เห็นภาพว่าการแอดไวซ์ที่ถูกต้องคือการให้คําแนะนําที่ถูกต้องคืออะไรคือการที่ว่าคุณจะมีตังมากแค่ไหนหรือคุณคิดว่าคุณดูแลตัวเองคุณได้แค่ไหนหรือคุณอาจจะต้องพึ่งพาตัวส่วนควบสุขภาพหรือโรคไร้แรงเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆทุกเซกเมนต์เนี่ยคุณต้องกา ร, นะรเรื่องนี้ะเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นแบบที่ใช้เราถึงออกแบบที่เรียกว่าซูเปอร์เฮลท์ออกมานะครับไม่ว่าเขาจะเป็นเจนไหนไม่ว่าเขาจะเป็นเจนไหนผมย้านะครับ ไม่ว่าเขาจะเป็นเรื่องของเบบี้บูมเมอร์สไม่ว่าเขาจะเป็นเรื่องของเจน X ไม่ว่าเขาจะเป็นเจนไไม่ว่าเขาจะเป็นเจน Z หรือเจนซนะครับหรือแม้แต่ลูกๆของเขาที่เป็นแอลฟาเนีฮะเราพยายามที่จะเป็นไลฟ์ไทม์ทัสติ้ดไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์กับเขานี่คือที่มานะฮะเพราะอย่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันหนึ่งที่ให้เห็นภาพเนี่นะครับก็อยากจะฉายภาพครับว่าเราเข้ามาศึกษาเราเข้ามานั่งดูแล้วสิ่งที่บอกว่าคลสที่กับลูกค้าหมายความไงไม่ใช่ว่า สามารถที่จะเข้าไปขายเขาได้ตลอดเจอเขาตอนไหนก็ได้ไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะครับโครสลูกค้าที่สุดคือว่าเรียนจาก Experi เพรียร์เรียนยูเซอร์เอ็กซ์เพรียร์เนะครับเมืองไทยประกันชีวิตฟังคอมเมนต์ของลูกค้ามาตลอดเวลาว่าลูกค้าไม่ชอบอะไรอะไรคือเพนพอยต์อะไรคือ p เพน p o i n t อะไรคือเพน p o i n t นะครับส่วนการเข้าถึงก็ต้องยอมรับว่าต้องเข้าถึงจากช่องไหนนะออฟไลน์คือคนออนไลน์คืออ อ, ค อ, ออนไลน์คือเป็นดิจิทัลหรือเป็นยังไงหรือจะเป็นแบบไฮบริดพอไ้เห็นภาพ ะะแล้วพยายามที่จะอิงไปกับชีวิตของเขาไลฟ์สเตจไลฟ์สไตล์ของเขาการใช้ชีวิตของเขาก็ฉายออกมาอย่างนี้ครับดันั้นผมขอเรียนนะฮะว่าถ้าเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน ะ, ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมขอข้ามไปตัวอย่างที่ผมอยากจะโชว์จริงคือเรื่องของแบบประกันซูเปอร์เฮล นะเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยทำ Elite Health ออกมาเป็นแคทให้ดูตอนแรกอันที่สเมืองไทยประกันชีวิตเรียนจากเพนพอยต์ของลูกค้าแล้วเมืองไทยประกันชีวิตผมกล้าพูดว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เหยียบหลักการของการที่ว่าตัดอินเนอร์ลิมิตทิ้งให้หมดนะฮะเราเป็นเจ้าแรกที่เราไปเอาเพนพอยต์ออกมาว่าคนที่ไปซื้อแล้ว ไปงงว่าอ๋อค่าผ่าตัดถูกล็อกไว้อ๋อมันไม่ได้ห้าล้านจริงอย่างที่พูดนะมันมีไอ้ค่านูน้นค่านี่มันมีอินเนอร์อยู่ข้างในซ่อนไปหมดแล้วนี่คือเพนที่จริงแล้วเป็นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้น m t l เนี่ยตอนที่ออกมาก็คือออก D health ออกมาเราเป็นเจ้าแรกที่เราเรียนรู้จริงๆว่าการที่กำหนดค่าห้องเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปเพราะว่าเรนจ์ของค่าห้องของแต่ลโรงพบานเนี่ยแตกต่างกันเหลือเกิน เราเคยคิดว่าโอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่ ง, น ง, นงเนี่ยพอผมยังจําได้สมัยตอนที่ก่อนเนี่ยแข่งกันต้องบอกว่าแข่งข้าห้องแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะออกแบบอย่างที่ดีเออกมาได้บอกว่าห้องเดี่ยวมาตรฐานเนี่ยนะฮะไม่ว่าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนก็ตอบโจทย์ได้หมดเพราะนให้เห็นภาพเลยว่า MTL เนี่ยทําออกมาในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วผมคิดว่าเราก็เป็นต้นแบบนะฮะของการที่ว่า breakthrough หลักการใหม่ของประกันออกมานะครับในเรื่องพวกนี้ไปจนถึงการที่ว่า เราเหยียบเอาเรื่องของตัวเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้าออกมานะครผมเนี่ยชอบชอบอันนี้มากเพราะบางทีแบบบางทีมันคือเหมาไวหมดไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราั้นมันจะมีแบบาบางครั้งบางคนมีความรู้สึกว่าไอ้นู่นไอ้นี่อะไรพวกนี้ฟังดูแล้วงงเพราะฉะนั้นบอกว่าอันนี้มันเหมาเหมาเหมาเหมาเหม า, หม า, หม า, หมาจบนะฮะไปจนถึงการที่ว่าสามารถที่จะไปต่อยอดของคนที่มีสวัสดิการได้เป็นท็อปฮับได้ให้เห็นภาพนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเรียนจากเพนท์พอยแล้วเราถึงได้ออกหมวดที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เฮลมาทั้งหมดนะครับ ก็วันนี้ผมก็ถือโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถือโอกาสเปิดตัวแบบประกันตัวหนึ่งขึ้นใหมอ่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะมีความต้องการเยอะมากนะฮะและเราก็เหยียบออกมาได้ก็คือกลุ่มเอลฟ้านะครับก็ถือโอกาสเปิดตัวอันนึงชื่อว่าแบบประกันดีคิดมา นี้เป็นตัวเซกเมนต์อีกเซกเมนต์หนึ่งที่ MTL อยากจะเปิดให้เห็นภาพนะครับก็ผมคิดว่าคนที่จะอธิบายได้ดีมากนะฮะก็คือคุณปนัดนะครับก็ขอให้ปนัดลองเล่าให้ฟังหน่อยดิเรื่องดีดีคิดเป็นไงครับขอบคุณครับคุณฉลาดก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ<ม>ก็อย่างที่คุณฉลาดกล่าวไปแล้วเรื่องของ ข, ขึ้นมาบนเวทีเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวมันจะมองมองไม่ได้นเนี่ย หอหน้ากากก็ได้เราอยู่ห่างกันควรละมุม social distance ก็ super health เนี่ยในแง่ของ p r o d u c เนี่ยเรามองสองเรื่องก็คือเรื่องของ segment ที่เราต้องครอบคุมทุก segment นะครับแล้วก็เรื่องของ personalization ก็คือการปรับแต่งแบบประกันเนี่ยให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านอย่างแท้จริงขอแต่เรื่อง segment ก่อนก็คืออย่างที่คุณชนะกล่าวไปแล้ว segment ที่มี demand มากๆตอนนี้ก็คือเรื่องของเด็ก เราเลยตัดสินใจที่จะออก Product ์ใหม่ก็คือตัว D Kids นะครับเพื่อมาตอบโจทย์ Segment นี้โดยเฉพาะข้อแรกข้อดีข้อแรกเลยก็คือเราเอาข้อดีของ D Health ที่เราเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วมาเรื่องค่าห้องมาตรฐานก็คือว่ า, าทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าโรงพยาบาล ABC และที่ค่าห้องต่างกันเนี่ยขอให้เป็นค่าห้องมาตรฐานเนี่ยเราคุ้มครองหมดนะครับแล้วก็อายุเริ่มคุ้มครองเนี่ยเริ่มตั้งแต่30วันเท่านั้นนะครับก็คือตอบโจทย์ Segment เ, เ, เด็กอย่างแท้จริง นะครับแล้วก็ในแง่ของแผนความคุ้มครองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 2,000 สนบาทจนถึง5ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของ deductible หรือว่าความรับผิดชอนแรกโดยหลักการเนี่ยยิ่ง deductible เยอะเนี่ยเบียก็ยิ่งถูกลงเพาะฉะ น, นลูกค้าเนี่ยสามารถ personalize ตัว Product ได้เลยว่าอยากได้ความคุ้มครองเท่าไหร่ในยลบประมาณที่ต้องการนะครับถัดมาขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ OPD นะครับอันนี้มาตอบในแง่ของ personalize ในตลาดตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ย ถ้าลูกค้าอยากซื้อผลประโยชน์ OPD เนี่ยเขาต้องมี IPD ก่อนส่วนมากในตลาดขายอย่างนี้ก็คือต้องซื้อ IPD ก่อนถึงจะซื้อ OPD ได้แต่วันนี้ของเมืองไทยประกันชีวิตลูกค้าสามารถซื้อ OPD เดี่ยวๆได้เลยพูดว่าคือถ้าอยากได้ผลประโยชน์ OPD เนี่ยก็ซื้อแค่ OPD นะครับอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องของ Personal Lines ผมขอกลับมาแตะเรื่อง Segment น, นิดนึงเมื่อกี้คุณสลาพูดไปแล้วเรื่อง y ย u n g O นะครับบอดดักของเราทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น D Health E D Health หรือว่า OPD เนี่ย อายุเริ่มความคุ้มครองเนี่ยสูงสุดถึง80ปีนะครับแล้วสามารถต่อไปได้เรื่อย ๆ, ๆจนถึงอายุ99ปีก็ค e ยเมสเซก็คือทั้งในแง่ของความคุ้มครองทุกเซกเมนต์ที่เราพยายามไปแล้วก็ในแง่ของ Personalization ในแง่ของโปรดักต์เราเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ตีมที่เราจะไปปีนี้ก็คือเรื่องของ Super Health ครับคุณสระเพราะเพราะฉะนั้นเรียนเพื่อนๆสื่อมนช น, นะครับ trusted lifetime partner นฮะอันนี้เอาตั้งแต่เกิด อ้จริงหลักการเนี่ยนะครับวันนี้ฮอออกดีคิดส์มาเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ30 30บวันนี่นะฮะก็จะวิ่งไปได้นี่นะครับอ่ให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะฮะไปจนถึงอายุ10ขวบ1นขวบต่อด้วยดีเฮลต์ต่อได้ดีเฮลก็ได้ครับอันนี้เมื่อกี้ผมลืมพูดเรื่องอ e ลิทเฮ h ดีเฮลหรือ E-Lit e ก็ได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดีเฮลดีเฮลก็จะวิ่งอยู่ที่11ครับผม11ขวบนะฮะวิ่งไปจนถึงอายุ 99 99รหรือซื้อได้อายุสุดท้ายคือที่80นะฮะถ้าเป็นอีล t e ก็คืออยู่ที่อายุ11 <91. S 2> จนถึงเ9บนะฮะแล้วก็วิ่งไป cover ไปจนถึง99แล้วก็ซื้อได้จนถึงอายุ80เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นอัลฟาวันนี้เนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ผมเนี่ยนะฮะผมก็ใหญ่กลับมาเป็นอัลฟาในนี้พูจริงนะนะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่า 30วันเนี่ยผมซื้อไปได้เรื่อยๆนะี่แหละอออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเรื่องของดีคิดนะฮะแน่นอนครับมีเรื่องของตัว deductible ที่เลือกเอาได้นะฮะมเมื่อกี้คุณบรัสพูดออกมาแล้วนะฮะ deductible ยิ่งมากเบี้ยยิ่งถูกนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการซึ่งเรามีแพ็กเกจออกมาให้ในี่นะครับซึ่งมีประมาณ4ี่แพ็กเกจนะฮะของของตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวตักติดตามดูได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย พอผมอายุ11ผมต่อกับเข้ามาได้2ช้อยฮีเลอร์ใช้เป็น D-Health ก็ได้หรือ Elite Health ก็ได้เนี่ยนะครับแล้วผมก็จะวิ่งยาวไปจนถึงอายุเจเนอเรชันไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มที่ว่าสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้ยังเป็นความภาคภูมิใจนะครับทั้ง Elite Health และ D-Health เนี่ยนะครับเป็นแบบประกันที่เรนจ์ของอายุยาวที่สุดในการที่จะซื้อได้และคุ้มครองยาวที่สุด ก็คือวิ่งได้ถึง99ปีนะฮะซื้ออายุสุดท้ายได้ณนะปัจจุบันเนียถึง80ปีนะฮะซึ่งในอนาคตไม่แน่อาจจะเอ็กซ์ติไปอีกของนีเดร์ไม่ออกอีกใช่แต่ให้เห็นภาพว่านี่คือความดินามิกของโปรดักที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่คุณปนัดสรุปออกมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันหมดยุคที่พยายามที่จะผลักทุกอย่างเข้าไปในแบบเดียวไอ้ถามว่าแบบนั้นมีไหมมีวันนี้ก็ยังมีอยู่ ไอ้เมืองไทยก็มีนะฮะแต่ก็จะมีช้อยส์ของแบบที่ว่าเฮ้ยมันความเป็น p e r s o n a l i z e ์เนี่ยคนเราเราอาจจะมีเรื่องของตัวที่ว่าเราอาจจะมี Ben เอฟเอื่นเราอาจจะซื้อแบบประการที่มี OPD ดีเยอะอยู่แล้วหรือเราอาจจะไม่มี OPD นะฮะเพราะฉะนั้นเราเลือกได้โดยที่ว่าไม่ต้องผลักเข้าไปเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะฮ ะ, ะ, ฮะผมคิดว่า Personalize ที่แท้จริงคือการที่ว่าสามารถที่จะหยิบ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วหยิบมาประกอบหยิบมาประกอบได้เพราฉะวันนี้ถือโอกาสนะครับนอกจากว่าเปิดตัวดีคิดนะฮะอย่างที่คุณประดาพูดเนี่ยนะครับโชว์ให้เห็นว่าเป็นไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์เนี่ยทรั t ติดไลฟ t ไทม์พาร์ทเเนี่ยวิ่งได้ในทุกเซกเมนต์ของเจเนเรชั่นเนี่ยนะครับแถมความเป็นพีซ์โ a l i ซ e คืออะไรนะฮะ OPD ก็สามารถที่จะหยิบเอามาซื้อประกอบก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องผลักมันไม่ใช่เป็นโลกของการที่ว่า เอาทุกอย่างไปเหมารวมแล้วบอกว่า one for all อีกต่อไปมันไม่ใช่มันคือโลกของที่เป็น personalize นะฮะใคก็เห็นภาพครับว่าวันนี้ MTL เปิดตัวแบบประกันออกมานะฮะในทุกเซกเมนต์นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเป็นแบบที่จริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับแต่ถ้าแบบจะบอกว่าแบบดีอย่างเดียวใช่หรือไม่เนี่ยนะครับมันต้องกลับมาถามอีกว่าแล้วการบริการกับการเซอร์วิสเป็นยังไงด้วยนะฮะก็ แบบนั้นมีอะไรเพิ่มไหมตัวนี้ไม่มีแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีคําถามเพิ่มได้นะครับครับผมอยากจะโชว์ภาพของของอีกมุมหนึ่งนอกจากว่าเรื่องของให้ตัวเฮลท์แล้วเนี่ยนะครับจริงๆอีกอันหนึ่งคือเป็นเรื่องของบิอ่อนเซอร์วิสเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเป็นทรัสติดไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์ไม่ใช่ขายแค่จบนะฮะแต่การที่ว่าจริงๆแล้วการดูแลอย่างต่อนเนื่องไปดูแลทั้งในมุมของอะไรบ้างนะครับ หคือว่าดูแลในสิ่งที่ตัวเองต้องดูแลก็คือความเป็นเรื่องของประกรันสินไหมเรื่องของ policy service ต่างๆหรือ post หรือ pos นี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่มันต้องดูได้นะฮะแล้วดูได้จากไหนดูได้ทั้งจากออฟไลน์และทั้งจากออนไลน์ก็คือทั้งจากคนแล้วก็จากในเรื่องของตัวออนไลน์แต่วันนี้ขอแตะเรื่องออนไลน์ก่อนนี่นะครับสก็คือว่าไอ้ beyond service นี่นะครับมันคืออะไร beyond service จริงเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัวการที่ว่าบริการผ่านทางด้านของตัว คนนะครับพื้นที่ต่างๆที่ครอบคลุมในเรื่องของสาขานะครับนั่นคือทัชพอยต์ที่สําคัญมากๆนี่นะครับไปจนถึงการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย anywhere anytime ได้กับโลกที่เป็นเรื่องของดิจิทัลนะครับกำลังจะเข้าสู่เรื่องของไฟ5้าา g อะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วยนี่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องทําได้นะฮะในเรื่องของการที่ว่ามีแพลตฟอร์มมีการที่เซอร์วิสเหล่านี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสมายครับคงไม่ต้องไปแตะอะไรมากนะครับแต่สมายครับวันนี้ผันไปในมุมที่เป็นทั้ง prevention นะฮะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่า loyalty program แต่เป็นทั้ง prevention ด้วยออกมาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับประกันชีวิตไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องของ protection อีกต่อไปเราพยายามที่จะทำในมุมของ prevention ทำแพลตฟอร์มต่างๆที่จะออกมาตอบโจทย์อีกนะครับซึ่ง MTL ก็มีเยอะมากนะครับก็ขอขอผมคิดว่าเรื่องของ service เนี่ยวันนี้ขอให้ทางคุณนาเดียนะครับขึ้นมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยว ข, ขึ้นมาวันนี้เลยก็ได้ไปอยู่อีกข้าง อันนี้เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มหลายๆคนคงเข้าใจเรื่องของแพลตฟอร์มของ MTL Click Depo อั o p t i o n rate อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าก็ค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเราอยากกันดีตขึ้นไปนะครับแต่ว่าฟีเจอร์เป็นยังไงอัปเดตยังไงขอเชิญคุณนาเดีย ค่ะก okay, ็สวัสด so ีพี่ๆเพื่อนๆผู้สื่อผู้สื่อข่าวนะคะก็จริงๆแล้ว MTL Click ลเนี่ยเราก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเล่าในไฮไลท์นะคะที่มันมีผลกระทบด้านบวกนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ตัวที่เรากำลังจะพัฒนาใหม่ๆขึ้นมาด้วยของปีนี้อันนึงที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะมาเป็นประโยชน์มาก แต่ตอนนั้นที่เราใส่เข้ามาเนี่ยพราะเราเริ่มเห็นเทรนด์เรื่องดิจิ a l Health เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็คือเรื่องเ e เลมีด cine นะคะหรือว่า Virtual h o s p i t ซ l ซึ่งเราได้มีการพัฒนาร่วม ก, กันกับโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็ใส่บริการเข้ามาใน MTL Click คลิกซึ่งเป็นบริการแรกของประเทศไทยที่สามารถให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะประกันกลุ่มหรือประกันเดี่ยวสามารถเข้าถึงคุณหมอแล้วก็ส่งยาถึงบ้านโดยที่หักจาก OPD วงเงิน OPD ของลูกค้าเองเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะซึ่งพอตอนเกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคือมันขึ้นไป 10x ในใน utilization แล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆก็เลยเข้ามาพัฒนาร่วมกับเราแล้วก็แทนที่จะมีแค่ general med นะคะหรือว่าคุณหมอที่เป็น primary care นะคะ ก็เลยมีการใส่เรื่องของ uh, specialized uh, คุณหมอที่เป็น uh, specialist เพิ่มมากขึ้นเข้ามาด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีคุณหมอกว่ า, วา500ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าเป็น uh, chronic ลรกเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันเราต้องรับยาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามา uh, ทำการหาคุณหมอได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลค่ะ อีกอันหนึ่งที่เราใส่เข้ามาเพราะฟีเจอร์เนี่ยชื่อฟีเจอร์ไม่เฮลท์แคร์ทางฟูเชียแล้วก็ฟูเชียเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยมีการลงทุนกับอีกบริษัทหนึ่งก็คือเ e a l t h at Home นะะซึ่งเป็นบริษัทที่หาผู้ดูแลมาดูแลผู้ปว่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านเราก็เลยเชื่อมต่อเซอร์วิสนี้เข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกค้าเราสามารถเข้ามาล้วก็จองออผู้ดูแลเนี่ยที่ ถ้าเกิดที่บ้านมีคนสูงอายุหรือว่ามีคนป่วยเนี่ยสามารถเข้ามาดูแลได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอสองอสองเซอร์วิสหลัหกในตัว My Health Service นะคะถ้าเซอร์วิสถัดมาตอนนี้เนี่ยที่คุณสละพูดถึงเมื่อตอนตอนต้นเยอะๆเลยก็คือเรื่องของ Digital Face-to-Face face. การที่เราสามารถให้การบริการโดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง มาพบปะกันหรือมาเข้ามาที่สาขานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัววิดีโอคอร์เซอร์วิสซึ่งมีวิดีโอให้ดูนะคะ วิดีโอคอลนี้ต้องขออัปเดตว่าปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อกุมธารต่อยุคกุมธาร น, นะคะจ่ายเงินนะคะได้แล้วก็ช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมา2 0งพมีพี่พี่ผู้สื่อข่าวโทรหาเดียหลายท่านเหมือนกันถามว่าแล้วเรื่องกู้กรมธารล่ะได้หรื อ, อยังก็ต้องขอแจ้งข่าวดีว่าทําได้แล้วนะคะจริงๆแล้วเราทําได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเราประมวลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความมั่นใจของลูกค้า เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสามารถ เ, เปิดกู้กรมทั น, นะคะแล้วก็ดูมูลค่าเงินสดจาก MTL Click ได้โดยผ่าน Video Call Service ค่ะครับก็ผมผมคิดว่าไอการพัฒนาของการตอบโจทย์มันก็คงจะเรียกว่าทำอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอิง ก, กับความต้องการของลูกคา้าจะเห็นว่าวันนี้ผมพูดแต่เรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนี่นะครับก็แพลตฟอร์มเองก็เป็นส่วนที่สาคัญมากนะฮะดรอปชั่นเเกิดขึ้นนี่นะครับคอน ต้องเกิดขึ้น anywhere anytime นะครับเราก็สามารถที่จะเกิด convenience ได้นะครับแต่ว่ามันต้องไม่ลืมเรื่องของความ trust นะฮะเพราะงั้นการที่ว่าจริงแล้วเนี่ยเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยนะครับใช่ยืนยันตัวตนใช่นะฮะการเห็นหน้าอีกมุมนึงก็เหมือนกันไม่ใช่แค่บริษัทเห็นหน้าลูกค้านะครับลูกค้าเห็นได้จากว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ใช่นะครับแล้วก็มากกว่านั้นอย่างที่คุณนาเดียพูดนะครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ service นะครับ advice สนใจอยากไปซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับภายใต้ขอบเขตของกฎเกณฑ์อย่างเรื่องของดิจ a ทัลเฟสตูเฟสกฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับในเรื่องพวกนี้นะครับมากกว่านั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าฟีเจอร์เองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําในแง่ของการบริการอื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ในการที่เรื่องของการกู้ตามสิทธิ์กรมธรนะครับก็ทําได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเกิดความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็ เรียกว่าทําเชื่อมั่นและเชื่อใจได้อย่างที่สุดนะครับสุดท้ายก็คือว่าแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็จะเห็นภาพเลยว่ามันไปเชื่อมของการที่เป็นกับทางด้านของอีโคซิสเต็มอื่นๆได้โดยเฉพาะอย่างโรงพยาบาลที่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับกับน้องๆสตาร์ทอัพนะครับที่เขาทําออกมาแล้วก็พยายามจะเติมเต็มในช่องโหว่ต่างๆเนี่ย น, นะครับก็ถูกเชื่อมเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับครับ แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะคะที่ได้ถูกพัฒนาร่วมกันกับทางทีม INVESTMENT แล้วก็ทีมพี่ๆผู้บริหารท่านอื่นนะคะคือเรื่องของ INVESTMENT PORTFOLIO ซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าลูกค้ามีความเ a อร์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีความต้องการในการที่จะให้ พาวเวอร์ต่างเนี่ยอยู่กับตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ตัวพาวเวอร์นั้นกลับเข้ามาในรูปแบบของการที่จะไม่ว่าจะทำเป็นฟัน s w i t c h i นะคะ p Up หรือ Premium Redirection นะคะของตัว u n i t Link ของ Product ของเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งนอกจากที่จะทำา3อย่างที่เดลเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ ย, นยในแอปพลิเคชันสามารถ ลูกค้าสามารถเข้ามาสำรวจกองทุนได้ด้วยนะคะทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งใน เ, ออเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเรามีอยู่ถึง49กองทุนนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าผู้ที่ เ, ออเข้ามาซื้ อ, อ, อยูนิตลิงค์ด้วยค่ะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพของการที่ว่านอกจากว่า p r o d u c t เป็นตัวอย่างของ h e a l t เมาจอรกี้นะครับแล้วก็ในแง่ของใ้ตัว Service แล้วเนี่ยนะครับในการที่จะเป็นในตัว t r u s t ์ไ Lifetime Partner แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นยังไงนะครับ อีกด้านหนึ่งครับก็อยากจะขอแตะนะครับก็คือเรื่องของคนวันนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยจริงอยู่นะฮะคุณอาเดียขึ้นมาพูดถึงเรื่องของตัวการใช้ดิจิทัลเรื่องของออนไลน์แต่ว่า workforce นะครับที่พร้อมกับในอนาคตในวันนี้แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสำคัญมากนะครับการที่ถูก Reskill Upskill ต่างๆนานาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ขอเชิญคุณอุมพันธ์นะครับในฐานะเป็นเฮดของทางเมืองไทย Academy เนี่ยนะครับขึ้นมาฉายภาพให้ดูนะครับ ก็สวัสดีนะคะท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องสื่อมวลชนนะคะวันนี้ก็ทางเมืองไทยแคนดี Academy ค่ะจะมีการเปิดตัวในส่วนของตัวแอปพลิเคชันใหม่นะคะเราชื่อว่าเริยนรู้นะคะแอปพลิเคชันค่ะก็มีคลิปสั้นๆนะคะให้ดูกันค่ะ แอปพลิเคชันใหม่นะคะแล้วก็ต้องบอกบอกว่าตอบโจทย์นะคะเพื่อที่เราจะเป็น Trusted Lifetime Partner นะคะแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าเรียนรู้นะคะหรือจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าเรียนรู้นะคะอายุเรียนวันนี้เราเรียนกันแล้วหรือยังนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลค่ะให้กับตัวของพนัก ง, งานนะคะตัวแทนของทางมือไทยประกันชีวิตและแน่นอนค่ะพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะคะในแอปพลิเคชันนี้ค่ะมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่างแล้วก็ตอบรับในช่วงของสถานการณ์ โควิดนะคะที่เราบอกว่าโซเชียลดิสเทนต์นะคะก็ต้องอยู่หางคุณป้องนะคะก็ต้องบอกบอกว่าอันนี้สามารถนะคะที่บอกว่าเรียนได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาค่ะจุดเด่นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเรียนรู้ค่ะสามารถที่จะเทเลเมดนะคะห้องเรียนนะคะที่เป็นลนักษณะเวอร์ชวลนะคะหรือว่าออนไลน์แบ่งเป็นห้องใหญ่หรือว่าการทำเวิร์กช็อปอันนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถเรียนผ่านดิจิตัลได้นะคะในส่วนของ e 2 e ค่ะก็คือจะมีตั้งแต่ปฏิทินนะคะแจ้งไปที่ผู้ เข้าอบรมเลยว่ามีตารางเรียนอะไรบ้างนะคะสามารถสบับกเรียนค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะเข้าเรียนค่ะรวมถึงการออก c ติทิฟิเคตนะคะถ้าเข้าไปเรียนแล้วนะคะอาจจะติดหรือไม่สะดวก Any day นะคะ Anywhere และ Anytime นะคะก็คือเรียนได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางในช่วงสถาน ก, การณ์โควิดหรือว่าการที่เราต้องเป็น social distance นะคะสามารถที่จะเข้าเรียนได้ตลอดเวลาเข้าไปดูซ้ําได้นะคะซึ่งตอบโจทย์ค่ะสำหรับตัวแทนนะคะซึ่งอาจจะติดลูกค้าอยู่หรือในปัจจุบนันซึ่งมีเรากาลังจะเห็นหลายคนที่สนใจในเรื่องของ second job นะคะที่จะเข้ามาบอกว่ามีงานในอันที่2นะคะก็สามารถเรียนผ่านตรงนี้ได้นะคะสําหรับการเรียน ในแอปพลิเคชันเรียนรู้ค่ะจะมีทั้งในรูปแบบที่จะเป็น virtual classroom นะคะออนไลน์ podcast นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือซึ่งเข้ามาดูได้ในตลอดเวลาค่ะสุดท้ายก็ต้องบอกบอกว่าแอปนี้นะคะจะครอบคลุมสามารถจะทําเป็น two way communication นะคะหรือ one to many นะคะซึ่งต้องบอกบอกว่าอันนี้ตอบรับค่ะที่เราสามารถที่จะออนไลน์ไลฟ์พร้อมกันนะคะทั่วประเทศนะคะในหลักหมื่นนะคะได้พร้อมกันกับตัวแทนทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะคะเรียนรู้ ะะที่จะพร้อมดาวน์โหลดในวันที่8คะ่ะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครคือการที่จะรีสกิลอัพสกิลเนี่ยนะครับแล้วยังไงคนก็ยังจะอยู่กับธุรกิจประกันชีวิตต่อให้จะเห็นภาพว่า MTL มีเรื่องของ AI มีเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยนะครับแต่ยังไงเราก็จะเห็นภาพว่าคนนะฮะแล้วมันจะเป็นไฮบริดเพราะนั้นทํายังไงที่จะรีสกิลอัพสกิลได้เนี่ยนะครับก็เรียนครับว่าเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่พร้อมนะครับในขณะเดียวกันการที่ว่า เทรนแบบออฟไลน์เนี่ยนะครับด้วยการที่ว่า MT ็เองเนี่ยมีทั้งเรียนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ประมาณอยู่14ที่ด้วยกันนะครับมีศูนย์การเรียนรู้คือสัรสาระนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความพร้อมในการที่จะทําเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งแล้วก็สามารถที่จะทําแบบออฟไลน์เทรนนิ่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเราเป็นองค์กรที่จริงๆแล้วมีความพร้อมในการที่จะรองรับในเรื่องของตัวแทนและการลิฟท์อัพอัพลิฟของสกิลของพนัก ง, งานภายในของเราด้วยนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับก็ให้เห็นภาพครับครับก็ เป็นการที่จริงๆฉายภาพให้ครบลูปเนี่ยนะครับของการที่ว่าการเป็น trusted lifetime partner เพราะฉะั้นจริงๆแล้วก็จะเห็นจริงๆว่า MTL เองเนี่ยนะครับแต่ในเรื่องของหลายๆเรื่องให้เห็นตั้งแต่เรื่องของว่าเหตุผลที่มาว่าทำยังไงที่จะ manage ในเชิงของตัวเลขต่างๆที่จะทอนกลับมาได้นี่นะครับแล้วก็ให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าคน ต้องถูกมารีสคิลต้องถูกมาแอดไวส์การ Enable เรื่องของการเอาดิจิทัลต่างนี้เข้ามาเนี่ยนะครับการเอาเรื่องของตัวแบบประกันที่ตอบโจทย์ของเอาไซน์อินการทำา User Experience ต่างๆนี่ครับแล้วก็พยายามที่จะตัดลดเพน Point ตต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเ <c oughs> พื่อให้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ที่สำคัญก็คือการ Service นะครับแล้วก็ b e y o n นของความเป็น Service ของประกันด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปเลยนะครับแต่การที่ทาให้ เข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำให้กลับมาเนี่ยนะครับตอบโจทย์ที่ดีที่สุดกับโรคของเอาไซอิคือผู้เอาประกันนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะเรียนอีกเพิ่มเติมนะครับว่า mtl บวก3คืออะไรนะครับก็ขอเชิญดรสุทธีนะครับขึ้นมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับครับเชิญครับเป๊ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเ <c oughs> พื่อ น, นสืมวชนฮะ เราจะเห็ น, นว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเรามันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทําให้ลูกค้าก็มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงันนี้แล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราจะทําให้ดีที่สุดก็คือเราต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆหาสิ่งที่เข้ามาพัฒนาให้กับองค์กรเราได้นะครับฟูเช mm ียเฟนชั่นแคปเปอร์ทัวเป็นการ เ, เป็นบริษัทที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อทีจะไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามนะฮะเราสามารถลงทุน direct ในบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าลงทุนในกองทุนก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการทําก็คือเราเลือกไปหาบริษัทที่เราคิดว่ามี strategic fit กับเมืองทยเงินชีวิตแน่นอนเราหวังผลตอบแทนด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดต้องเป็นบริษัทที่มี strategic fit เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างอันนึงที่เมื่อสักครูนะ่นาเดียพูดไปแล้วก็ health Sa Home ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง benex ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะน่าสนใจที่เราจะโชวว่า เราไม่ได้เน้นแค่เอนจูเออร์เทคอย่างเดียวเราอาจจะไปดูเฮลท์เทคฟู้ดเทคเอ่อว r ร์กเทคก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างของเบ n เ X ็อันหนึ่งที่เราเพิ่งไปลงมาแล้วเราดิสคล s สได้เพราะอันนี้อยู่ในข่าวแล้วก็คือเรื่องของเอ c h e m y Food Tech นะ c h e m y มีเป็นบริษัทอะไร a l c h e มีเป็นบริษัทในสิงคโปร์ที่เขาสกัดคอมเพล์ตัวหนึ่งออกมาจากออกมาจากพืชซึ่งคอมเพลนตัวนี้เมื่อเรามาบวกกับข้าวขาวแล้วเนี่ยทให้ข้าวขาวมีสรรพคุณคล้ายๆกับข้าวกล้อง มันดียังไงมันลดตัวไกลซิมิกอินด x ซลงทำให้เราสามารถที่จะอนซูมเข้าขาวได้โดยที่ไม่มีประเด็นเรื่องของน้ำตาลขึ้นนะครับเราคิดว่าอินโนเวชันเหล่านี้แล้วก็การลงทุนในธุรกิจเหล่านี้มันสามารถกลับมาแอดให้กับเมืองทำกันชีวิตได้นะครับอีกบริษัทหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ GetGo g e ก g o ก้ Go เนี่ยเเวอร์ชัน 1.0 คืออะไร g ก t g o v เวอร์ชัน 1.0 ก็คือเราไปดูต่างประเทศมาแล้วเราพบว่าลูกค้าเนี่ย ต้องเป็นคนเลือกแล้วลูกค้าก็อยากจะมีแพลตฟอร์มที่เขาสามารถเข้ามาซื้อมาขายแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับประกันได้แล้วก็สร้าง Getgo ขึ้นมาแต่พอดี Get Go ก็ค่อนข้างเก่งเรื่องดิจิทัลเราก็เลยบอกว่างั้นให้เขาสปินออกมาเป็นไลน์ที่2เป็นคล้ายคล้ายดิจิทัลเทําเรื่องที่เราเรียกว่า Get Go Solutions ก็คือสามารถพรวิทย์เทคโซลูชั่นให้กับตัวเมืองไทยเป็นกานชีวิตได้อันที่3ที่เราทำํำเราก็บอกว่าในเมื่อเขาทาตรงนี้ดีให้เขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาสามารถเป็นแพลตฟอรร์มททีี่่ Service A ได้ในกาาจะขย ผัณ uh, non-life นะครับนี่ก็ที่เราทำขึ้นมาอันสุดท้ายน้องใหม่ที่เพิ่งมาใหม่ในปีนี้ก็คือตัว i g เ n นไอเเนี่ยเป็นความคิดผมก็คุยกับ่หุนสาระหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้ว artificial intelligence หรือว่า machine learning ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเองเราไม่มีทางเก่งขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราจะลองลงทุนในนี้ดูถามว่าเขาทำอะไรเขาจะใช้เทคนิคใน machine learning หรือใน artificial intelligence ที่จะมาตอบโจทย์ให้กับเมืองทยการชีวิต mm hmm. เช่นเวลาที่เราอยาก straight through processing เนี่ย เอกสารเข้ามาสมมติว่าผมจะทำเคลมเนี่ยเอกสารเข้ามาปุ๊บคนก็ต้องมานั่งเปิดเปิ ด, ดอีเมลดูกรอกเคลมส่งแล้วก็ใชเ้เวลาที่ใช้ในการทำเคลมเคลมึเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย จ, จะใช้เวลา55านาทีแต่เวลาทำ straight through processing แล้วเอา OCR มาจับเอา AI มาจับเนี่ยอาจจะลดเหลือ5วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทำอีกอันนึงที่เราจะทำเร็วนี้ก็เป็นเรื่องของแชทบอทเพราะว่าแชทบอทเนี่ย สามารถที่จะตอบคําถามที่คอมเพล็กซ์ให้กับลูกค้าได้คำถามเกี่ยวกับเฮลท์คำถามเกี่ยวอะไรซึ่งเราคิดว่ามันจะสเกลขึ้นไปได้เพราะอีกหน่อยเนี่ยตัวกรมธรรเนียร์ายสงกมธรนีร์อาจจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นจำนวนปริมาณคนที่เข้ามารับบริการเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่เอ็มทีเอลบพยายามทําก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะต้องกลับมาเซิร์ฟบริษัทแม่ก็คือตัวเมืองไทยเงินชีวิตครับขอบคุณครับครับก็ ให้ฉายภาพให้คร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าการที่จะจับกับไอ้ดนามิกของโลกใหม่เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีไอ้ตัว capability พวกนี้ความสามารถในการที่จะทำได้และ talent เหล่านี้เนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ย MTL เองเนี่ยด้วยความเป็น culture ที่แม่ผมพยายามจะเรียนว่าเราเองก็ปรับจาก traditional เนี่ยให้ด y นามิกมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันต้องมีตัวช่วยการที่ว่าเรามีไอ้ตัว MTL บวกเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยในการที่เราจะ Capture ทั้ง Talent แล้วก mm ็ปิดช่องโว่นะฮะแล้วก็ตามกับตัวสถานการณ์ของโลกหรือการเปลี่ยนไปของ Environment ต่างๆได้นะครับก็สุดท้ายนะครับปี2021นะครับผมก็ยังยืนยันในนโยบายหลักนะครับก็คือการที่ว่าเป็น Trusted Lifetime Partner ของ NTL เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำคือการที่ว่า Advise ได้เนี่ยนะครับทั้งในเชิงของการใช้เทคโนโลยี การใช้ a าต้าในการ Uplift f t หรือ Re s k i l l ของคนนะคไปจนถึงการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ของ User ได้เป็น Personalize ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Life Protection, Endowment, Unit Link, Rider Health, CI นะครับหรืออื่นๆเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะทำออกมาให้ตอบสนองได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับความพึงพอใจก็คือมาจากการที่ว่าตอบโจทย์ในการบริการนี่นะครับ ก็ยังเป็นหัวใจที่สำคัญมากเนี่ยนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ทั้งเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ในการที่เซอร์วิสก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยนะครับโดยที่อิงกับสิ่งที่เรามีคือบวก3ด้วยในการที่จะทำในหลักการของ Beyond Service หรือ Beyond Product ต่างๆได้ด้วยนะครับนะฮะก็ นั่นคือภาพนะครับแล้วก็แน่นอนครับ MTL Go Original ยังถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากนะครับเราก็จะเห็นว่า progress ต่างๆก็ยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็ดูเหมือนมี progress ที่ไปในทิศทางที่ดีนะครับถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโควิดก็ตามนะครับแนวโน้มของการที่จะเกิด operation ใหม่ๆก็ยังเป็นโอกาสที่ MTL ยังมองหาอยู่อย่างตลอดไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนะครับเราจะเห็นได้ว่าสาหรับในปี2021นี้นะครับ MTL เองก็เองว่า health นะครับซึ่งก็ยังเป็น ตัวหลักนะครับก็ยังมีกร t h อยู่นะฮะที่เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ 35% นะครับในมุมของ Protection และ Investment เนี่ยนะครับของ p r o p o r t นนะครับมอะก็มองภาพว่าเราก็ยัง m i n t เทนภาพอยู่ประมาณสัก 70% ซึ่งผมคิดว่าเป็นภาพที่จะตอบกับเรื่องขององค์ประกอบที่มีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทั้งจากต่างประเทศทั้งจากในประเทศนะครับเรื่องของ yield 10ปีที่มีเรียกว่าเป็นตัวปัจจัยหลักอันหนึ่งเนี่ยนะครับ ในอีกมุมหนึ่งก็คือว่ากฎเกณฑ์มาตรฐานใหม่ๆและกฎหมายใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจำเป็นครับที่จะต้องปรับตัวให้พร้อมกับ ก, บการรองรับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วแน่นอนครับการที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องอิงกับการที่ว่าโลกเป็นเรื่องของดิจิทัลเป็นเรื่องของการที่ออนไลน์เพราะฉะนั้นหลักการของการที่ว่าเข้าถึงได้ anywhere anytime เนี่ยนะครับทั้งในแง่ของคนทั้งในแง่ของการที่ว่าผ่านทางด้านของดิจิทัลถือว่าเป็นหัวใจที่สุดนะครับ นั่นคือหลักการของการที่จะเป็น Trusted Lifetime Partner ได้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันถูกสะสมอยู่ในตัวของ MTL แล้วก็รวมถึงว่า Spring ก็คือบริษัทที่เป็นพี่น้องของ MTL นะครับที่เข้ามาช่วยในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้มันเกิดได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเราครับนะครับด้วยความยั่งยืนครับขอบคุณมากนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพรวมของพิธีแถลงข่าว m t l Trust l i f e Time Partner ครับที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเมืองไทยประกันชีวิตที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุกรกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นย้ำในเรื่องของการบริการในทุกด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิตนะครับและตอบโจทย์ทุกรายสไตล์ของลูกค้าเพราะความสุขคือทุกอย่างจริงๆครับ ค่ะในช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของ Q&A ค่ะขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะคะร่วมพูดคุยกับคุณสาระและผู้บริหารค่ะครับผมลําดับรายชื่อท่านผู้บริหารที่ร่วมพูดคุยมีดังนี้นะครับทันแรกค่ะคุณสาระล่ำตําค่ะสุดบททีท่แล้วนะครับเรียนเชิญคุณสิริลักษณ์รัตนชัยครับค่ะคุณวชิราพลเขมะนิพิพล์ค่ะเรียนเชิญคุณจิตเกษมสุรธรรมานันท์ครับ เรียนเชิญคุณรือไทยสุทิกุนพาณิชย์ค่คะเรียนเชิญคุณเมธิราสังกพันธ์ครับคุณปานณ ส, สุธินนท์ค่ะเรียนเชิญคุณศิริลักษิราโพครับคุณธนัทจากวัฒนาค่ะและคุณพรมรนพลนชิาจิตครับเรียนเชิญครับ เดีชวงพูดคุยนะครับทางทีมงานจะดึงสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงของพิธีสื่อมวลชนที่เป็นตัวแทนในการถามคําถามในวันนี้นะครับกลับมาก็วันนี้ใช้เวลานานหน่อยนะก็คนมันคิดถึงกันทํำไงได้ไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่วันนี้วันนี้ธงใหญ่นะเพราะฉั้นก็ให้เข้าใจนะครับผู้บริหารมากครบนะครเพราะฉะนั้นเชิญเลยนะครับใครใครมีคําถามนะครับท่านแรกนะครส่งหมายชื่อมาแล้วครับพี่ฝันจากหนังสือพิมพ์สยามอินชัวร์นิวส์ครับเลยเชิญพี่ฝันครับ ส ว, สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครับได้ยินครับสวัสดีผู้บรหิหารท่านเลยนะคะจริงๆตอนแรกว่าจะถามในเรื่องของการเติบโตของซ u เปอร์เฮลล์แะค่ะแต่ว่าคุณป้องตอบมาแล้วว่าเป้าหมายปีนี้คือ 35% แล้วถ้าปีนี้ในส่วนของสัด ส, ส่วนนะคะในพอร์ตการรับประกันเรามันจะเปลี่ยนเป็นยังไงคะจริงๆ ถ, ถ้าดูพอร์ตเฟรอเรมิกซ์เนี่ยนะครับจะเห็นว่า ผมตั้งเป้าไว้เนี่ย MTL ตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณสัก 70% อันนี้คือ protection and investment product เพราะนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกของ endowment นะฮะซึ่งก็ถามว่าจะเป็นยังไงจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ย endowment ของ MTL เนี่ยอยู่ประมาณสัก 23-24% ใน 24% เนี่ยผ ม, ผมคิดว่า MTL น่าจะเป็นคนที่ขาย endowment เนี่ยน้อยที่สุดนะ ผมผมเรียนอย่างนี้ในพอร์ตมิกซ์เนี่ยนะฮะในยบเนนี่ยนะครับตัด 4% ออกมามันคือ Index มันคือ Endowment ที่เรียกว่า Index l i n k ลหรือ Participating ซึ่งตัวเนี้ยเรียกว่ามีผลน้อยกับเรื่องของตัว y ิวเคิร์สนะฮะผมคิดว่าผมถึงเรียนว่า Endowment ไม่ได้จะหายไปนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องเป็น Endowment ที่ใช่แต่นะ แล้วก็ต้องคมว่าใช่เนี่ยหายความว่าขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวบริษัทเองว่าบริษัทเองอาจจะมีการรองรับได้การลงทุนได้อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพของ portfolio mix เนี่ยนะครับกลับมาที่ขวัญถามเนี่ยนะครับก็คือว่า health super health หรือตัว ci เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในพาร์ทของตัว protection เนี่ยหละนะก็คืออยู่ประมาณ70ปนะครับปีที่แล้วทำอยู่ประมาณสัก75นะฮะก็ปีนี้ก็ อาจจะมีภาพที่เปลี่ยนไปถามว่าทำไมทาไมผมถึงทำอย่า ง, งานา้นะฮะเพราะว่า MTL ก็คงจะมุ่งเน้นในมุมของแบบประกันตัวอื่นด้วยอย่างที่ผมบอกว่า Endowment ไม่ได้ไม่ได้หายไปพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปเพิ่มสัดส่วน Endowment มากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็จะตีกรอบของ Endowment อาจจะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณ20กว่าถึง30เปอร์เซ็นต์เี่ย น, นะครับเดีย๋ยวจจะเป็นหน้าตาแบบ Index Links อย่างที่ผมบอกแล้วก็อาจจะต้องยอมรับว่าด้วยความที่ว่า m p l เนี่ยเป็นบริษัทที่มีไซส์ในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาถ้าจะเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะไปแมทช์กับการลงทุนบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะยังมีภาพของ Endowment ที่เป็นหน้าตาเหมือนแบบที่เราเคยเห็นอยู่ได้ในบางส่วน Endowment ไม่ได้แย่ขึ้นอยู่ว่าว่าสัดส่วนเป็นยังไง70ถือว่าเป็นอะไรที่ดีโอเคนะครับครับ 70, นี่คือ Protection นะฮะเฮลท์ในนี้ าในแง่ของการเติบโตได้ไหมคะพอดูแล้วก็คือว่าเราวางไว้แล้วว่ายังไงแล้วเราต้องเติบโตติดลบมองว่าปีนี้เราน่าจะติดเติบเติบโตติดลบน้อยลงกว่าปีที่แล้วมั้ยคะแล้วสถานการณ์ติดลบของเราเนี่ยคาดว่ามันจะเป็นอีกปีอักซิตปีถ้าเกิดว่าเราปูหาในเรื่องของผมมองมองว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยถ้าผม manage port กับไอ้ตัว factor ที่เกี่ยวข้องย้ํานะครับ yield curve กฎหมายใหม่ standard ใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักการเนี่ย เรายังน่าจะเห็นภาพของการติดลบอยู่ในปีนี้แต่จะเป็นการติดลบที่จะน้อยลงอีกด้านหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่ามันจะมีเรื่องของ p a ด e Up กับ m a t u r i t ตี้นะฮะเพด e ักับ m a t u r i t ตีเนี่ยเป็นพอร์ตของต่ออายุต่ออายุเนี่ยผมไม่ได้เห็นภาพของผลกระทบในมุมของตัวเศรษฐกิจโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมตีอยงนี้ก่อนขวัญถ้าเป็นเบีย้ยใหม่เนี่ยบวกในปีนี้เนี่ยเบีย้ยใหม่จะบวก แต่บวกยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าไซส์ของพอ ต, ต่ออยู่เป็นไซส์ที่ใหญ่เพราะมันจะมีไอ้ตัวแบบประการที่เป็น endowment เอก็ดีเนี่ย น, นะครับพวกช็อตเทอ r m มก็ดีหรือมิดเทอมก็ดีที่มันเพด up หรือมาชัวเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วผมไม่สามารถที่จะไปรีเพ s สได้แทนนะฮะสิ่งที่ผมรีเพ s สได้แทนคืออะไรคือ protection คือบวก riders นะครับหรือ unit links ที่บวกไรเดอร์ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเดียร์ที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่า t i c k e t ตไซสมันจะเล็กกว่ากันประมาณ10เท่าแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเทรนมันก็จะเริ่มตีกลับในกรณีเพราะในตอนนี้เนี่ยจากในปีนี้เนี่ยเทรนของตัวเบีย้ยใหม่จะเป็นบวกแต่เทรนของต่อเมื่อรวมต่ออายุแล้วจึงทําให้ยังเป็นเทรนที่ยังติดลบอยู่แต่เป็นการติดลบที่เราต้องการจับแมเนจอย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องการแมเนจเลยก็คือว่า มิกเราอาจจะบอกว่ามิกซ์โปรเทกชันลดลงไปเหลือ 50% หรือ 40% นะฮะหรือ 30% แล้วก็ไปเอาไอ้เอ็นดาวน์ t อ็นทิกเกตใหญ่ๆมารีเพรสนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไนงะมิติของการบริหารจัดการประสบการณ์มันไม่ใช่มิติ Market ็ตแชรอย่างเดียวมันคือความยั่งยืนมันคือมูลค่าของตัวแบบประกรัรนะฮะซึ่งผมให้ความสําคัญเรื่องนี้ด้านหนึ่งก็คือที่เรียกว่าตัวนิวเบสเซนสมาร์จินส์ก็ดีหรือเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆผลประกอบการของในปี2 0งศูนย์สอง Nbv เนี่ยนะฮะมันโตขึ้นมาเป็น3เท่าเข้าใจไหความนีกออกปะมันคือความยั่งยืนน่ยใช่ไหมฮะมเปนหมายความว่าแ ล, และอย่างที่ผมอธิบายไปว่านี่ถ้าไปโดนมาตรฐานบัญชีใหม่นี่นะในในอนาคตอย่างไอเอฟไเจ็เนี่ยเขาเขาคุเรทเลยว่า loss loss ก็บุ๊กไปเลยนะฮะถ้ามีกําไรให้ defer ไปตาม้เรื่องของ contract สัญญาของ contract นะไวอันนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่า มันต้อง manage ัแหตอนนี้ขึ้นมาเพราะตอนจบมันคือความยั่งยืนความรับผิดชอบที่มีเราผู้ประกอบการนะครับครับขอบคุณพี่ฝันนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราไปที่ท่านต่อไปกันเลยครับใช่ค่ะเขาเรียนเชิญคุณบิ๊กจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจค่ะครับเรียนเชิญครับถามตอบพี่ฝันแล้วกันนะครับคุณสาระครับสวัสดีครับ ผมถามว่าตั้งเป้าเบี้ยรับรวมไว้เท่าไหร่อะครับแล้วก็เมื่อกี้ต่อจากคุณสราระที่คุณสระบอกว่าอาจจะมีเพจอัพกับมาชูเลี้ที่ยังจะครบกําหนดอีกอันนี้พอจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแล้วก็อีกนิดนึงก็คือตัวทิกเก็ตไซส์ของฮิวกับโปรดักชั่นแม้ว่ามันจะเล็กกว่าเอ็นดาวน์มินแต่มันจะโคเวอร์สักอีกกี่กปีอะครับคือคือผมมองมองเป้าเป้ารับรวมเนี่ยนะฮะเอาใหม่ oh คือเบีย้ยเบี้ยใหม่เนี่ยผมกะโตอยู่สักประมาณสักประมาณ 8ปดถึงสิบอะนะฮะนิวเบสเซสพรีเ <c oughs> มียมผมผมอาจจะประมาณ8ปดถึงสิบเปอร์เนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเบี้ยเบี้ยรวมเนี่ยผมคิดว่าเราคงเห็นภาพอยู่ประมาณสัก7จ็ดหมืนกว่านะีนะอันนี้คือคือเบี้ยเบี้ยรับรวมอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมาจากเรื่องของตัว p a จอ Up กับมัชชนิตี้ซึ่ง อย่างที่เรียนนะครับเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะฮะแต่โอเวอร์ออลเนี่ยนะครับในมุมของความสําคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของนิววิซซ์วารูเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยจริงก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราโตอยู่ประมาณ3เท่านะฮะปีนี้ในหลักการเองเนี่ยเราก็ยังต้องให้โตขึ้นไปเนี่ยนะครับคือบวกไปอีกสักสีอันนี้จะเห็นภาพอย่างนี้เลยนะฮะ n b v ของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยของประกรันวันนี้เนี่ยต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไอไอวิธีการคุยใหม่นะ มาร์ e ก็ตแชรไม่ใช่เรื่องเดียว Market Share ์ถามว่าสําคัญไหมสําคัญแต่ถ้า Market Share ที่ขายมาแล้วแล้วมันจะกลายเป็นไทม์บอมหรือว่าขายมาแล้วแล้วรู้ว่าในอนาคตมันจะเจอเจอกับเหตุอับมันรู้ว่าจะไม่สามารถไปรีเฟรชได้เนี่ยยิ่งขายยิ่งยิ่งเหนื่อยแล้วพอเจอปี2024เข้ามาเนี่ยใช่มไอฟ i ไอสิบสเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปปุ๊คลอสเลยอย่างเงี้ยมันไม่แม็กซ์เซนต์มันก็จะไม่ไปในมิติอีกประมาณ 3-4 มิติคือความมั่นคงนั่นคือ Trust ์เ การชีวิตคือความมั่นคงคือความมั่นใจนะฮะก็เรียนอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวให้คุณศิริรักษ์ท่านอธิบายเพิ่มเติมได้เรื่องนี้เชิพี่เอกครับคำถามคืออะไรไม่คําถามกรอสอธิบายไปแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างเมื่อตะกี้ครับเห็นไหครับผมจะถามว่าอย่างตัว prediction กับเ e r o ครับมันจะมา cover ตัว endowment อีกสักกี่ปีถึงจะทําให้เบี้ยเราเป็นบวกได้ครับท่าในภาพรวมทั้งหมดคือผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่า เรื่องเรื่องของการเป็นบวกเนี่ยผมมองไปอีกสักประมาณปีปีนี้ปีนี้ยังไงตัวเลขเราก็จะเห็นภาพของการติดลบเนี่ยนะครับแล้วก็อีกสักประมาณปีกว่าเนี่ยเราจะเริ่มที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่เป็นการดีดกลับขึ้นไปในมิติของการที่ว่า p r o portion ของแบบประกรัน m i x ซ์ของแบบประกันเป็นแบบที่ใช่นะครับแล้วมันก็จะไปพร้อมกันกับเมื่อ IFIs ิบเเริ่มใช้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ เ้ผมก็จะกลับมาในมุมของตัวมิติที่สำคัญก็คือว่า Market Share ก็จะตีกลับนะฮะแต่เป็น Market s ต a r e ที่จริงๆ Portfolio Mix ใช่นะครับและการที่ตอบว่าใช่คือว่ามีมูลค่าของตัวแบบประการที่เรียกว่าเป็นไอตัวนิวเ n สเซสวาลูเอ่ยที่ตีกลับเข้ามาซึ่งอันเนี้ยจะเห็นเลยว่าปีนี้บวก3เท่าไอปีปีที่แล้ว2020บวก3เท่านะฮะปีนี้ก็จะโตขึ้นมาอีก 40% เนี่นะครับเพราะฉะนั้ให้เห็นภาพในขณะเดียวกันเรื่องของคาร์เรชนะฮะถือว่าสําคัญมากถ้าถ้ากลับมาดูในมิติคาร์เรช MP ์ก็จะเหยียบไอ้ตัวคาร์เรชอยู่ประมาณสัก300ขึ้นไปเนี่ยนะครับจริงๆก็ถือว่าสูงกว่าขั้นต่ําที่อยู่ที่ประมาณ12ึเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพที่สําคัญอีกด้านนึงคืออะไรเพียร์แอลกำไรต้องมีนะองค์กรทํากําไรไม่มี Market ็ตแชร์โตแต่กําไรถดถอยลงเรื่อยๆไม่เอา เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรกำไรเหล่านี้เนี่ยมันต้องเอากลับเข้ามาเพื่อว่าจะได้เป็นทุนในการที่จะเอาไปวิวไปทำให้บริษัทเติบโตจับโอกาสต่างๆได้ก็จะเห็นเลยว่าทำไม MTL ถึงได้มีไอ้ตัวแพลตฟอร์มทำไม MTL ถึงได้มีเรื่องของการที่ว่ายืนในการที่รัซื้คนเขาไม่เอาคนเขาออกเห็นป่ะในายามอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไมในายามอย่างนี้เนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันทาไม MTL ถึงได้มีฟอซิลิตี้ไม่ใช่แค่ออไม่ใช่แค่ออนไลน์นะฮะ หลายๆที่ขึ้นมาเพราะว่านั่นคือทุนที่ MGL เอามาเพื่อพัฒนาองค์กรนะครับให้เห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาโนะ okay, อเคนะครับขอบคุณที่ดูนะครั บ, บ, รบต่อไปนะครับเชิญคุณอ้อจากนักสืบพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับได้เชิญครับอ้อครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้องแล้วผู้บริหารนะคะว็จะรบกวนขอถามนะคะตัว อ, อย่างที่คุณป้องบอกว่าจะเริ่มกลับมาแข่งขันที่ในเรื่องของความคุมค้มครองตรงนี้เราประเมินสถานการณ์การแข่งขันในตลาดปีนี้ยังไงบ้างอะคะ่ะแล้วก็ที่คุณป้องบอกว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะกลับมาเติบโตอีก นี่นค่ะเราจะสามารถรักษาตัวมาเก็ตแชร์ได้ไหมคะสุดท้ายแล้วอะค่ะม า, ม, ามาเก็ตแชร์สำหรับผมเนี่ยถามว่าสำคัญไหมผมก็ชอบมาเก็ตแชร์นะถ้าถ้าอ้อจำได้ผมเป็นคนที่ชอบมาเก็ตแชร์มาตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เรียนรู้จากเรื่องของไอ้ตัวแฟกเตอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างที่ผมบอกไงว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเลดา้าผมจะเห็นแต่มาเก็ตแชร์ถ้าในยุคที่ดอกเบีย้ยมันสูงมากอะไรสูงมากใช่ไหม ผมจะเห็นนมาแค่แชร์ออคือทำอะไรไปผมก็ไม่ได้สึกว่ามิติอื่นมาแต่ในยุคนี้เนี่ยยิวเคมันอยู่ที่ 1.3 อย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ท0 Year Government Bond เนี่ยที่บริษัทประกันชอบไปลงมาเนี่ยสัดส่วนของตราสาร น, นี่คือ g o v เ r n m e n t Bond เยอะมากเวลาเทียบเทียบค่าเนี่ยมันต้องไปดูอย่างเงี้ย10ปีใช่ไหม เรเห็นไหมมันเคย 6% แล้วมันลงมา5มันลงมา4มันลงมา3านี่ก็อดครัวกันจะอ้วกแล้วใช่ไหมมันลงมา2แล้วมันลงมาอยู่ที่ต่ํากว่านึงแล้วมันดี่ขึ้นมาอยู่ที่ 1.3 มแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยมาตลอดแล้วไอ้ยามโควิดกลับเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยคืออ๋อเลเห็นว่าความท้าทายเหล่านี้มาเพห็นไอ้ความที่ผมอินเลิฟกับ m a ร์เก็ตแชรอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่ได้กับบริษัทประกันไงคุณบอกการบริหารจัดการบริษัทประกันเนี่ยถ้าในมุมมาร์เก เอ็ทีเก็จะภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมาร์เก็ตแชรก็มีความสําคัญแต่ต้องมีความยั่งยืนที่ผมพยายามอธิบายอ้อขึ้นมาใช่ไหมแต่ความยั่งยืนมาจากการที่ต้อง manage product ต้องจัดการกับไอตัวแบบประกันที่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นแบบประกันที่บังเอิญมันก็ตอบโจทย์กับความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพว่าในมุมนึงเนี่ยเราเคยอ่วมไปด้วย endowment วันนี้เนี่ยเราปรับภาพจาก endowment เหลือ endowment อยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะ ไปให้อ้อเห็นภาพเลยว่าผมก็ต้องยอมรับว่าท o t a ท m a r มาร์เก็ตแชร์ของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมกลายไปที่ผมอยากจะเป็นเจ้าของเฮลท์ทำด้านของทางโฟกัสในเรื่องของเฮลท์ในเรื่องของโปรเทกชันเนี่ยมันโตขึ้นนะครับผมให้ตัวอย่างอ้อได้เลยว่า1ถ้าดูในตัวเลขของปีนี้เนี่ยมาร์เก็ตแชร์ของเฮลท์ของ MTL เนี่ยในเชิงของนิวบิสเนสเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับ Hell นะฮะเป็นอันดับ2ซึ่งคําว่าอันดับ2องหมายควาไงผมเอาเรดาร์ของวินาทสภายมาเปิดด้วยในที่นี้เป็นอันดับสองของทั้งหมดในคนที่ออเฟอร์ในเรื่องของ Hell และ C.I. นะอันที่2ถ้าถ้าถ้าลองดูเนี่ยนะ Market share ของตัว Whole Life ของ Protection <c oughs> ผมก็จะจําแนกว่า Protection <c oughs> ผมมีอะไรก็คือ Whole Life Whole Life นี่มันเป็นหลักเพราะว่าเราพูดกัน Hell แบบ99้าาความ u n น q u ของมันเนี่ย Whole Life ผมก็เป็นอันดับ2นะอ๋อถ้าลองดูจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพเลยว่า ทั้ง Market Share ของ Health ใน New, New Business Premium Total Premium ของของ Health เอ okay. ะฮลท <c oughs> ์ผมเป็นอันดับ3โอเคนะฮะในขณะเดียวกันของโฮล l ลฟ์เนี่ยผมเป็นอันดับ2องนะฮะ e n ็นดอร์เผมเหยียบลงมาเรียกว่าเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ขาย Endowment มนตแทบจะน้อยที่สุดแล้วมั้งนะฮะอยู่ที่20่สเปอร์เซนต์ยีเปอร์เซนต์ ไปให้เห็นภาพว่ามันคือความตั้งใจที่อยากจะให้เป็นแล้วมันก็ตอบสนองกลับมาคุณถามมาเก็ตแชร์บอกว่าผมก็บอกเออผมก็ไม่ใช่ว่าไม่อินเลิฟกับมาเก็ตแชร์นะอินเลิฟแต่ต้องเป็นมาเก็ตแชร์ที่ใช่เนะฮะพอเพราะงั้นก็อันนี้ก็ใช้มาเก็ตแชร์ที่ใช่ปีนี้ก็จะมาทำอย่างเงี้ยนะฮะความตั้งใจก็คือว่าเราอยากจะเป็นออฟเป็นเรื่องของการที่ว่า p ร o v i วเดอร์ของเฮลท์ไรเดอร์และเฮลท์ h CI ที่ตอบโจทย์ได้นะฮะแล้วเราก็จะดิดตัวเลขของเราให้ไปสูงมากขึ้น เรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของ whole l มันมาเรื่องของ protection มันมาอยู่แล้วครับในเรื่องนี้ครับครับผมขอบคุณอ้อนนะครับค่ะท่านต่อไปนะคะขอเชิญป้าหญิงค่ะจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณสาระเมื่อกี้พูดถึงในส่วนของ U curve เตี้ยมากนะคะถ้าในปี2564เนี่ยในแง่ของการปรับพอร์ตลงทุน ธุรกิจประกันควรจะเป็นแนวทางไหนแล้วก็อยากทราบผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะโอเคผมให้อันนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าให้ทางด้านของคุณศิริลักษ์นะฮะท่านเป็นผู้ที่จะตอบในเรื่องนี้นะครับครับสวัสดีค่ะเออเสียงเสียงพี่เอไม่ค่อยดังสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะ่มีมีสองคำถามนะคะคือผลอ อัตราผลตอบแทนของปี20คือปีที่ผ่านมากับของปีนี้นะคะว่าคาดการณ์เป็นยังไงก็ขอขอตอบคำถามของปีที่แล้วก่อนนะคะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเรามองถึง Yield Curve ของออ Government b บอ d 10ปีซึ่งเป็นซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิหลักของบริษัทประกันชีวิตที่เราลงทุนในฟ i x e ิน n c าบ e เนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ย e u r v e วิ่งอยู่ที่ 0.8 ถึงประมาณสัก 1.6-1.7 นะคะ ถือว่ามีความมลลทายค่อนข้างสูงมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งปีนี่มันอาจจะอยู่สัก 1.3 1.4 แบบที่คุณสาระพูดเพราะฉะนั้น p r o d u ั t ที่เป็นพวก saving e n d o w m e n t เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โลิตภัณที่บริษัทประกันควรจะโฟกัสอย่างเดียวอีกต่อไปนะคะก็ก็เป็นทิศทางที่คุณสาระไ r i v มาตลอดที่ปีที่แล้วเราถึงได้ move การขายของเรามาเน้น ในส่วนของเฮลท์และก็ Product อื่นๆนะคะเช่น Protection ตามๆที่ได้เรียนไปแล้วก็อัตราผลตอบแทนทั้งปีของเราเนี่ยปีที่แล้วแม้ว่าทั้งตลาดเงินตลาดทุนจะบ v o l a t ค่อนข้างมากเนี่ย yield เ, เฉลี่ยของบริษัทเราทำได้อยู่ที่ประมาณ 4.1 นะคะก็ถือว่าโดยเปรียบเทียบกับ Piers ที่เรามองดูตลอดในตลาดเท่าที่เราจะมีข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยถือว่าเราแข่งขันได้นะคะ ก, ก็เป็นที่พอใจนะคะส่วนของปีนี้ ทิศทางของของอัตราดอรเบียเนี่ยยังยังต้องวอชอยู่นะคะว่าเราเนื่องจากบริษัทเราไม่ได้ลงทุนแต่เฉพาะตราสารในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราจริงๆเราลงทุนทั่วโลกก็ยังต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ของประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆนะคะว่าทิศทางเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะในพอร์ตเฟอเขนาดใหญ่ของเราที่เราเปิด เ, เราเร า, เรามีอยู่เนี่ยในอดีตเนี่ยต้องยอมรับว่า สินทรัพย์ที่เราถืออยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราลงทุนซื้อมาในอดีตเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าที่เราหาได้ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีตราสารหนี้ตัวไหนที่มันมาชัวครบกําหนดไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราลงทุนได้ต่ํากว่าเดิมเพราะฉะนั้นจะตอบคําถามว่าในปีนี้จริงๆเราคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนของของเงินลงทุนในพอร์ตอาจจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยค่ะอันอันนี้ก็ ก็เป็นไปตามทิศทางของอัตาดอกเบียโลกนะคะครับขอบพระคุณครับขอบคุณปถง่นะครับขอบคุณมากค่ะครับต่อไปครับป้าแมวนิตยสารไทยแลนด์อินชอลันครับป้าแมวเชิญครับป้าแมวครับสวัสดีครับอ่าป้าแมวครับอ่ามาแล้วครับป้าแมวได้ยินไหมครับโอเคป้าแมวพูดได้เลยครับเปิดไมค์หน่อย เสียงไม่มาโโหได้ยินด้ยนแล้วครับพแมวครับขอบคุณครับใครไปมิวอะพ่อแมวมิวเสียงมิวอยู่อันมิวด้วยครับโอเคได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป้องและผู้บริหารทุกท่านนะคะอ่จะรบกวนสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะจากการที่คุณป้องกลับ พอร์ตมามาเน้นในเรื่องของเฮลแล้วก็โปรเทคชันเนี่ยนะคะ เ, เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าอัอตราความเสี่ยงของเฮลเนี่ยมันมันน้อยกว่าหรือว่ามันมันจะมีโอกาสทำกำไรมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเฮลเนี่ยมันมีความเซน i ิทีฟกับดอกเบี้ยเน้น้อยมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่า ทำไมบริษัทจะต้องปรับไปอันนี้นอันนีน้อันนั้นในมุมของบริษัทแต่ที่สําคัญกว่า น, นั้นก็คือว่าเฮลท์เนี่ยเป็นความต้องการของผู้บริโภคเยอะมากโดยเฉพาะในประเทศไทยนะฮะจริงๆก่อนโควิดแล้วก็โควิดเนี่ยยิ่งเป็นตัวที่พุชทําให้เฮลท์เนี่ยเป็นเทรนด์ผมถึงเรียนไงว่าในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนมาเดินเข้ามาเพื่อขอแบบซื้อประกันเนี่ยนะฮะแต่ฮอเทรนด์ของเฮลท์มาแล้วไม่ใช่มาแค่ปีเดียวนะมันมาก่อนหน้านี้แล้ว นี่คือที่มาที่ทำไม MTL ถึงได้พัฒนาแบบประกันที่พยายามที่จะจะอิงกับความต้องการเขาจริงๆขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีองค์ประกอบอื่นนอกจากว่าแบบฟีเจอร์นอกจากว่าแบบประกันแล้วก็จะมีฟีเจอร์ด้วยอะไรพวกนี้นะครับแต่นี่คือที่มาครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดีนะครับที่ที่เพื่อนๆสื่อมวลชนได้เข้าใจาจริงๆว่าคือมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือไอ้เทรนด์ของ จริงๆทั้งก่อนโควิดที่ผมอธิบายตั้งตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ฮอลโควิดมาเนี่ยชาร์เลนของมันมันคือการลงทุนมันคือยูเ c ิร์ฟแล้วประกันชีวิตเนี่ยมันตรึงกับเรื่องของไอ้ตัวยูเ curve ยาวๆเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าบริษัทประกันเนี่ยจะต้องทําให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะมาถึงไม่ใช่จากนี้ไปมันจริงๆมันก่อนหน้านี้แล้วแต่มันยิ่งแรงขึ้นว่ามันจึงไม่ใช่เป็นมิติของมาแค่แชร์ต่อไปใช่ไหมฮะถึงให้เห็นภาพเลยไม่งั้นเนี่ยผมก็จะทําเเหมมือนดิ ในหลายๆหลายๆก่อนหน้านี้ไอ้สมัยก่อนผมทำได้เพราะอะไรเพราะยิวเคิร์ฟเนี่ยมันสูงมัน 3% าจริง 3% ามเผมไปถามดรสุทธีเขาก็บอกผมแล้วมันต่าแล้วนะแต่หมาครับว่าไม่ผมก็ทําเดิมผมก็ขายแต่ Endowment ขาย Endowment ขาย50 60ิ0ห0สิบเไปเลยอ่วมไปเลยใช่ไหมแต่ผลสุดท้ายเนี่ยผมไม่มีวันจะยืนอยู่ได้ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบกับผู้อภิบาลในระยะยาว ใช่หต่อให้ใ<ช>ผมเป็นเป็นเป็นบริษัทประกันที่มีไซส์ใหญ่ invested asset อยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านเกือบ0 0แสนกว่าล้านก็ตามเนี่ยแต่บุญเก่ามันก็จะหมดเพราะฉะนั้นความเป็นจริงมันก็คือว่าหลักการของการทำธุรกิจประกันมันต้องกระทบกันได้ครับ asset and liability matching ไม่ใช่แค่ duration แต่คือ yield ที่ออกมาใช่หมแล้วภายใต้ไอ้ความซับซ้อนของโลกใหม่ความเป็นสากลมันมีมาตรฐาน IFRS เอย RBC เอยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สาคัญนะฮะ นี่คือที่มาให้กล้องลองกล้องอธิบายให้ฟังนะฮะ ว, ว่าทำไมไมันต้องเป็นอย่างนี้อธิบายฉายกล้องไวปนัดหน่อยรจริงเมื่อกี้น่าจะถามในแง่ว่าแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรามาจินของ h e a l t เนี่ยมันไม่โดนกระทบหรอถูกฮะผมว่าอย่างที่คุณสาเรียนเลยว่าตัว HEALTH i n s u r a n ันหรือว่า p r o t ท c t ั o n ทั้งหลายเนี่ยมัน SENSITIVE กับตัวยิวเคิร v e น้อยกว่านะครับแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยผู้เล่นโดดลงมาในตลาด Health เฮลเยอะขึ้นผมว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคาเยอะขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ MT ็เราพยายามทำเนี่ยเราทํา้วกัน3อย่างนะครับหก็คือเราต้อง make ั u r e ว่าโปรดักตเราเนี่ย ahead คู่ต่อสู้เสมอพี่จะเห็นว่าปีก่อนในที่เราดีเฮลเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกที่ remove inner l i ม i t ออกนะครับที่จ่ายเป็นค่าห้องมาตรฐานแล้วก็ปีนี้เนี่ยอย่างตัวการรับอายุเนี่ยเราก็รับ ค่อนข้างที่ได้ว่าสูงสุดในตลาดเนีครับรับ ค, ความคุ้มครอง80ต่ออยู่ได้ถึง99พรในแง่โปรดักต์เนี่ยเราพยายามที่จะอาเฮดคู่แข่งครับเรื่องที่2ก็คือเราพยายามลดค่าใช้จ่ายหลังบ้านของเราด้วยในการเอาเทคนโนโลยีเข้ามาจับที่คุณสาระหรือพี่นาเดียหรือดรสุธีได้พูดไปแล้วนะครับในแง่ของเคมในแง่ของ OCR อะไรเงี้ยเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับทําให้ค่าใช้จ่ายหลังบ้านเราน้อยลงนะครับ ก็ประมาณนี้ยครับเรื่องเรื่องเรื่องของมาจินที่น่าจะตอบคําถามที่พี่ถามเมื่อกี้ครับขอบคุณครับพี่กองป้าแมวขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปอัพเพิ่มเติมเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับป้าแมวนะครับกรณี OPD อะค่ะมั่นใจขนาดไหนคะว่าอัตราการเคลมมันจะควบคุมได้อะค่ะก็เรื่องเรื่องเคลมเราก็ได้แท a c k สถิติมาตลอดนะครับไม่เวลาเราเราทำ pricing เนี่ยในหลักของผลิตศาสตร์เนี่ย ก็อย่างที่คุณสาระบอกเราไม่ได้ดูแค่เรื่อง Market Share อย่างเดียวแต่ว่าดูในแง่ของความมั่นคงของบริษัทด้วยงั้นการที่จะออกผลิตภัณตัวนึงมาได้เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการของเชิงสถิติเชิงคณิตศาสตร์ว่าเราว่าราคาที่มันออกไปเนี่ยมันโอเคนะครับแล้วนอกจากของบริษัทเองเนี่ยเราก็มีการบางผลิตภัณบางตัวเนี่ยเราก็มีการส่งความเสี่ยงต่อให้บริษัทประกันภัยต่อนะครับก็เป็น r i ริ Management อีกทางหนึ่งที่เราดูแล้วก็ เวลาเราขายโปรดักต์ตัวไหนออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราขายแล้วขายเลยนะครับเราก็มีการมอนิเตอร์สถิติอย่างสม่ำเสมอว่าตัวเคลมเป็นยังไงเนี่ยครับหลักการประมาณนี้ครับพ่อแม่คุณครับแต่แต่ให้เห็นภาพนะว่าว่าว่าต่อให้จะจะเมนเทนเรื่องของความยั่งยืนของโปรดักต์ได้เนี่ยความสำคัญอีกมุมนึงเนี่ยก็คือการบริการนะฮะการที่เราใส่ใจในการแคร์กับลูกค้าด้วยนะฮะเพราะะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจัยในโลกปัจจุบันและโลกใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่ว่าโอ้ยเคลมเยอะเคลมเยอะนะฮะตัดทิ้งไม่ MT ็ไม่ไมทําอย่างนั้นจะเห็นเลยว่าจริ ง, รงเราเมนเทนเรื่องของให้ตัวความพึงพอใจ Net Promoting Score ต่างๆนะครับเรามีทั้งทีมคุณหมอทีมพยาบาลที่คอยดูแลในเรื่องพวกนี้แต่เราก็ใส่ใจในแง่ของความรู้สึกของลูกค้าเป็นที่หลเป็นหลักด้วยอันนี้นะครับครับก็อยากเพิ่มเติมนิดนึงนครับจากนโยบายของเมืองไทยประกันชีวิตทุกครั้งที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะมองเซอร์วิส ขงเราเป็นโปรดักตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมที่ลูกค้าจะได้รับจากเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคุมมองแต่มันมันเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับนะครับแล้วก็อย่างที่น้องๆได้พิเศษไปแล้วนะครับในเรื่องของช่องทางการที่ลูกค้าเข้ามาแตะกับเราเนี่ยเราพยายามดูทุกเจเนอเรชันทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ในทุกพื้นที่นะครับอย่างการที่น้องนาเดียได้พูดถึงเรื่องของวิดีโอคอร์เนี่ยจะสังเกตว่า ตรงเนี้ยตอบโจทย์แม้กระทั่งลูกค้าของเราที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็หรือเดินทางไปต่างประเทศแล้วใช้การบริการกลับเข้ามานะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องของความสะดวกอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนพี่พี่สื่อมวลชนว่าในสิ่งที่เมืองไทยประกันชีวิตมองในวันนี้เนี่ยเราเรามองในในจุดที่เรื่องของความเชื่อมั่นที่ลูกค้าจะต้องสามารถติดต่อเราได้นะครับในทุกจังหวะยิ่งในจังหวะของออที่ลูกค้ามองว่า มีความวิกฤตเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เมืองไทยพยายามให้ความสําคัญมากๆจะสังเกตว่ า, าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยได้เซตโมเดลนะครับจากเดิมที่เรามีศูนย์ call center อยู่2แห่งอยู่แล้วคือสํานักงานใหญ่ที่เชียงใหม่นะครับเราเซต up call center work from home เกิดขึ้นนะครับซึ่งใช้เวลาระยะเวลาที่ไม่มากแล้วก็ปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราพัฒนาโมเดลตัวนี้ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือ เป็นการขยายงานไปยังเมืองรองด้วยที่จะให้บุคลากรของเราสามารถทํางานที่บ้านได้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องติดต่อเมืองไทยได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเราก็อยู่ในกระแสนั่นก็คือเรื่องของ PDPA นะครับปีนี้เมืองไทยได้ลงทุนอีกมากกว่า20ล้านนะครับในการนําเรื่องของเทคโนโลยี voice biometric นะครับก็คือการอเอาเรื่องของ Bio t เทคโนโลยีเข้ามานะครับในการที่เสียงของพวกเรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในการที่จะป้องกันเรื่องของข้อมูลของลูกค้าด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นเป็นส่วนที่เราเราเพิ่มเติมเข้ามาครับครับผมขอบพระคุณพิพลครับอีกเาอีกสักท่านหนึ่งนะครับอีกสักหนึ่งคำถามครับเอาใหม่ครับพี่หนึ่งะคะจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะเชิญครับพี่หนึ่งครับเเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคนสวัสดีคุณป้องนะคะลบคนสองคำถามนะคะคำถามหนึ่งเนี่ยค่ะอยากให้คุณป้องคอนเฟิร์มนิดนึงว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ย New b u s i n เ s s เราติดลบปีสองปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่สองต่อเนื่องถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ค่ะแล้วก็คุณป้องคิดว่าจะใช้เวลาอีก uh, new, ปีครึ่ง new, new, ก็คือ new, จะไปพ <business, S 2> ื้นตัว New Business ปีนี้ผมจะเป็นบวกเลปีปีสองศูนสองูนเ uh, นี่ยผม <okay. S 1> ติดติดลบ 2019ผมติดลบใช่ไหมครับค่ะนะฮะปีนี้เนี่ยผมจะตีนิวบิสเนสกลับขึ้นมาเป็นบวกอฮะนะฮะอย่างที่ผมเรียนด้วยเหตุผลก่อนหน้านี้นะครับว่าว่าว่าอะไรนะฮะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดยรวมเนี่ยเบี้ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นบวกคาดว่าจะเป็นในอีกผมมองไปอีกสักประมาณปีนี้แล้วก็อาจจะเห็นภาพของการเป็นบวกได้อีกประมาณสัก 2ปีนับปีนี้เข้าไปด้วยนะครับนั่นคื อ, คอนั่นคือทั้งทั้พรีเมียมผมเพราะว่าก็คือจะเป็นปี 20, 23, 25, 66มใช่ครับผมผมผมมองอยู่ประมาณนั้นครับอันนี้นะฮะแต่ปีนี้จะเห็นเป็นปีที่นิวบิสเซสพรีเมียมผมจะตีกลับขึ้นมาเป็นบวกนะครับจากการที่ว่าพอร์ตโฟลิโอผมเนี่ยเปลี่ยนภาพไปเยอะมากนะครับก็ก็ะจะเห็นภาพานี้แล้วก็ เหตุผลที่ผมยังเป็นลบอยู่ในปีนี้สืบเนื่องจากว่าผมจะมีจำนวนของเพจอัพและมาโชเรตี้ที่เป็น endowment อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องยอม ร, รับนะครับว่าเบีย้ยใหม่ต่อให้ผมเป็นบวกก็ตามแต่มันยังไม่สามารถที่จะมา offset กับไอ้เบ er, <ม>ี้ยเพจอัพกับมาโชเรตี้ที่เป็น endowment ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพรวมการตกโตกลบไปอีกอย่างน้อยอีกประมาณอีก1ปี ใช่ครับก็ปีนี้<ไ>ถ้าถ้าปีเนี้ยเห็นแน่นอนของการที่ที่จะติดลบของโทวท้ น, นะครับแต่ New Business <c oughs> เป็นบวกนะครับปีหน้าก็ถ้าไปตามที่ผมวางไอ้ตัวเลขไว้เนี่ยก็ยังอาจจะเห็นภาพของการติดลบ <c oughs> แต่ของนี้ก็เอาไม่แน่ไม่ได้นะครับมันอาจจะมีสิ่ง m ม่ร c ้ว h a แฮปเพนก็ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆที่ผ่านมา เราก็ตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกว่าด้วยเหตุผลหลายๆตั ว, ตวที่ผมได้กล่าวไปเพราะฉะนั้นรับได้ในเรื่องนี้นะครับแต่ในมุม m a r k e ก็ h a r e ที่ที่เมื่อกี้หลายๆท่านขวามถามมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ผมก้บอกให้ความสำคัญกับ market share ของ Health Market share ของ p r o t e c t i o นนะครับเพราะว่าไอ้เกมนี้ยังต้องวางไปอย่างนี้แล้วถ้าผมทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับ ภาพก็อย่างที่ผมบอกครับทัทของพรีเมียมก็น่าจะเห็นปี2023นะฮะของการเป็นบวกของท o ทรพรีเมียมครับครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะคุณป้องมองภาพรวมของธุรกิจประกันเนี่ยค่ะในช่วงเนี้ยค่ะอันนี้มองในนามนายกสมาค ม, มนะคะเรามีชาเลนจ์อะไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมอีกไหมคะในช่วงนี้ แล้วก็จะต้องคุยขอแก้กฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหยคะอออัน น, น, นี้อันนี้มามาในหมวดนายกสมาคมผมผมคิดว่า เ, เทรนด์ก็ยังมีประเด็นที่ สมาคมประกันชีวิตตอนนี้ต้องแฮนดเดิลต่อไปนะครับหก็คือว่าเรื่องของไกด์ไลน์ของทางด้านของ PDPA นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังทํางานร่วมกันกับสํานัก ง, งานคปพที่จะมีไกด์ไลน์นี้แล้วก็คงคงนออกไกด์ไลน์นี้เนี่ยนะฮะไปให้กระทรวงดีอได้ดูนะครับได้แจ้งในเรื่องนี้2ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็คงเห็นอยู่ในข่าวอยู่แล้วเรื่องของตัว New Health Standard ซึ่งก็มีการที่คุยกันนะฮะอาจจะให้กับกับทางด้านของทาง คอพอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะตามออกมานะครับในเรื่องของ New Health Standard ที่สําคัญก็คือว่าให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับในแง่ของผู้อประกันครับนะครับอันนี้ในมุมของ New Health Standard นะครับส่วนในแง่ของ i อเอฟไเนี่ยนะครับก็มีการที่ตอนนี้เนี่ยนะครับสมาคมมีการพูดคุยกันนะครับว่าโปรต่อไปเนี่ยนะครับควรจะต้องเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปแตะกับทางด้านของสำนักงานคอพพ์และก็ทางด้านของสภาวิชาชีพครับ ในเรื่องนี้ต่อไปครับครับอันนี้คือเทนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุยกันก็คือเรื่องของตัวช่อชนนะครับที่มีการคุยกันกับสํานักงานคอพพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําเรื่องของตัวอินชัวรันบูโรสนะครับที่อยากจะให้เกิดขึ้นได้ครับอันนี้อันนี้หมวกสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับครับขอบพระคุณพี่หนึ่งนะครับมีมีอะไรมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับขออีกนิดนึงนะครับอันนี้เสียงเสียงมิวอยู่ฮะ ขอขอยําถามสุดท้ายสําหรับหนึ่งนะคะครเรื่องแผนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่คุณป้องเคยบอกไวะคะ้ค่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าปีนี้จะชะลอไว้ก่อนพอเพราะโควิดค่ะไม่ได้ชะลอฮะคือคือคือจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอาคาร S66 ที่สุภวิทย6หก็ใกล้ที่จะเสร็จอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเห็นไหมอาคารอาคารพาณิชย์28ชั้นนะฮะซึ่งซึ่งจะเห็นอยู่ประมาณไตรมาสนี้ยควรจะควรจะ เสร็จนะฮะแล้วก็เปิดใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ชะลอแต่ต้องยอมรับนะครับว่าโควิดเข้ามาในช่วงที่ทำเนี่ยซึ่งกำลังเป็นช่วงที่ดีมันก็ทำให้เราได้คุยกับทางด้านของที่ปรึกษานนะฮะแล้วก็ว่าวิธีการที่จะต้องปรับแต่งนะครับกับการใช้ชีวิตทั้งในรูปแบบของการเช่านะฮะของทาง workspace ต่างๆทั้งในแง่ของตัวองค์กรใหญ่ๆหรือแม้แต่ว่าในแง่ขององค์กรที่มีไซส์เป็น SME เนี่ยนะครับเขาคิดยังไงอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่จะต้องทำอาคารให้อยู่ได้กับรองรับได้กับเรื่องของตัวโควิดด้วยอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่เราเนี่ยโชคดีที่ระหว่างทางเนี่ยโควิดเกิดขึ้นเราก็ได้เรียนรู้ วิธีการคิด behavior ใหม่ๆนี่เวลาที่แต่โควิดนี่หนักกว่านั้นต้องพูดถึงเรื่องของไอ้ตัว pm ด้วยนะครับ pm 2.5 อาะไรพวกนี้นะครับที่ที่วันนี้หนักมากเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกเอาเข้ามาคิดอยู่ด้วยในเรื่องพวกนี้นะครับส่วนในแง่ของเดินหน้าไปเนี่ยนะครับกับเรื่องของตัวโครงการตัวอสังหาเนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ในเลด้าของเรานะครับถ้ามีตรงไหนที่ ตอบโจทย์ได้แล้วบอกว่าในมุมของที่สถานที่ก็ดีนะครับหรือว่าออกมาในรูปแบบยังไงเนี่ยนะครับเราศึกษาอยู่แล้วถ้ามันเป็นโอกาสเราก็จะจับโอกาสนี้อยู่อย่างต่อไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หนึ่งด้วยครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณสาราธันพุทธประหารทุกท่านนะ <ผม S 1> ครับผมเรียนคุณหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะในในโครงการ อสังหายอย่างของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างของที่อาคารเมืองไทยพัฒนะเนี่นะครับไอตัว a l c o p a n c y ก็อยู่ประมาณ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลครับครับ